ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิและสัมมาสมาธิตอนที่สโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่ 4, สี่เมษายนพุทธศักราชส5 3 3เนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารของพุทธครั้งที่14นณพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วิใจัยให้ออกว่าอารมณ์ง่วงคืออะไรส่วนเวลาเอาความง่วงอารมณ์ง่วงลักษณะอาการที่มันมีรสง่วงและก็จะทำสภาพรับรสง่วงได้ง่วงลงไปได้ทำาลีห ล, ล, ลับอะไรลงไปน่ น, นะมันเป็นรสอร่อยอ่ามันไม่ได้ง่วงมันไม่ได้หลับมันเป็นรสฝืนมันเป็นรสทุกถ้าได้หลับี ล, ลีอะไรลงไป ในขีดนึงคิดนึงเราเรียกว่ารสอร่อยวิจัยให้ออกแล้วสลัดแล้วทำให้จางคลายทำให้ออกให้มีสภาพแม้จะเข้าไปอยู่ในการหลับตาหรือว่าอยู่ในสภาพพวังอยู่ในพบอยู่ในผวังเราก็จะต้องให้รู้สึกตัวให้เห็นว่ามันเป็นจิตที่มีสติเต็มจิตที่ใสสติเต็มกับจิตที่มีอารมณ์ง่ว ง, ง, วง ที่มันไม่ได้สมใจก็เป็นอาการทุกๆอย่างหนึ่งเป็นเวทนาทีนี้เมื่อมันได้ง่วงมันได้หลีไันได้หลับๆดับๆลงไปในลักษณะที่หลีๆนะสลึมสลือลงไปแล้วก็ดับๆปรับๆลงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมันสบายดีสบายดีอร่อยดนะีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของเวทนา เป็นอาการของตัวกิเลส ท, ที่เป็นเวทนารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สมใจก็ทุกข์กพอสมใจก็จ ส, สุขนั่นแหละละขจัดมันออกทำให้มันเป็นสติที่เต็มตื่นจะอยู่ในผวังอยู่ไปตื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมดีใสสดใสขึ้นมาอาการจิตสดใสขึ้นมาฝึกจริงๆ อย่าให้มันมีอาการง่วงเหงาเศร้าซึมอย่างนั้นเรียกว่าทีนาิทะแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์หัดฝึกออกขจัดออกอย่าไปให้มีมีแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นสะดุมสะืออยู่อย่างนั้นก็มันไม่ได้ทำใมันออกจากอารมณ์จิตเมื่อไหรเมื่อไรก็ช่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพักอยู่ในอวังจะนอนลงไปห ร, หรือว่าจะนั่งอยู่ก็ตาม หัดอย่างนั้นไว้เสมอจะอย่าระวังใสๆอย่างั้นน่ะแล้วจะรู้รู้ได้ว่าเราพักโดยชานหรือโดยหลับชั้นสูงจะเรียกว่าหลับก็ได้หลับชั้นสูงต้องพยายามดูพยายามเข้าใจอันนี้ให้ดีๆแล้วฝึกทุกคนมีอยู่ในตัวเองอตัวเองต้องผ่านต้องพบทุกคนแล้วฝึกให้ดี ก่อนอื่นต้องทําใจให้แจ่มใสเสมอเสมอเมื่อไรเมื่อไหรก็ทําใจให้แจ่มใสมีอะไรมากระทบอย่งนู้นอย่างนี้มันชวนให้โกรธชวนให้ไม่ชอบใจชวนให้มันอุดอัดขัดเคืองอะไรแต่ไรเอามันออกจากอารมณ์จิตให้รู้เลยว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เราเอามันออกเราเอามันออกโดยความสามารถแล้วก็ปรับจิตเราให้สสใสบาย รู้มันว่าเออเอานี่มันออกคืออย่างนี้ด้วยเหตุด้วยผลว่ายาไปมีเลย อ, อาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของคนที่มีจิตประพัดสอนเป็นคนที่มีจิตไม่ประพัดสอนพระอริยเจ้าจะมีจิตประพัดสอนเสมอทำทำจิตอย่างพร ะ, พะอริยเจ้านั่นแหละทำจิตให้บริสุทธิ์ตามโอวาทปาธิโมกวาทาจิตให้บริสุทธิ์นั่นแหละทำเสมอเสมออย่างน้อยเราก็ขจัด แต่มันไม่ชอบใจมันหม่นหมองมันอึดอัดขัดเคืองอมันน้อยใจเสียใจอะไรในพวกนี้สายโทสะมูลเอามันออกเลยนะั่นคือเอาความเป็นกิเลสในสายโทส ะ, ะเอาออกจากจิตทำจริงๆอย่าไปปล่อยเอาไว้นะรู้ตัวเมื่อไรก็พยายามกระจัดออกอย่างรู้รูนะ้ะอย่างรู้นะรู้นะอย่าให้มันโมโมะซัว ทำออกออกเราออกออกแล้วมันเอาออกได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาออกแล้วจิตใจใสโปร่งแต่มันจะมีดียังไงอะจิตใจใสโปร่งมันจะมีดียังไงมันจะมันจะรู้เองอ่ะไอตอนที่มันมัวโซไอมันมันคอัดขัดเครื่องดีไม่ดีมันโมโหโกรธาอยู่ในใจแล้วมันพาเราเป็นยังไงมันจะรู้จะรู้ดีเองว่ามันไม่ได้เขาทาร์ไม่ได้ทำให้เราด้วยมีกายกรรมวจีกรรมมนกรรมที่ดีอะไรเลย แต่ถ้าเราใจใสโปร่งสบายมีความเบิกบานราเรืองดีมันจะพาเราเป็นยังไงกายกรรมวจีกรรมนกรรมแม่แต่นึกแต่คิดแม่แต่จะปรุงจะสร้างอะไรมันมันพาให้เราดียังไงจะเห็นอนิสงส์งการที่ไม่มีโทสะโลภะแม่แต่ราค ะ, ะมันไม่มีมันมันไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นคนแห้งเหี่ยวอะไรหรอกเอามาฟังสูตรอีกสูตรหนึ่ง นะประกอบคือระโหคตสูตระระหโหคตะก็คือรหะกับขตนั่นแหละระโหคตโมวานิอาตมาเรียกอ่านระหะขตโตเราเอโอเออจูแ้แหลกอ่าระโหคตะ ถ, ถูกแล้วน ะ, นะมีวงเล็บแปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้ฉันด้วยนะไปแล้วในที่ลับ ก่อสเซคกอคเรทรีไปแล้วในที่ลับนะหรือว่าไปไปส่วนตัวบีอนะิงอิน r i v a t e ไปโดยส่วนตัวเป็นไปอยู่ในความเป็นส่วนตัวรหันะ oh, ขตักไปแล้วในที่ลับนะชื่อของสูตรนะรหัขตากเนี่ยมันรหัแปลว่าอันเป็นที่ลับขตับแปลว่าไป ขะตักขะโตแปลว่าไปชื่อสูตรก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องลับๆมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รู้ได้ไง่ายๆมันลับๆซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นจงๆแ จ, จงๆได้ไง่ายมันจะซับซ้อนบังซ่อนอะไรต่ไรอยู่มันซับซ้อนลึกซึ้งอยู่นั่นเองโดยความหมายนะเพราะงั้นถ้าเราจะอ่านโดยภาษาธรรมดาแล้วก็เข้าใจตื่นๆระนาบเดียวนี่นะ สูตรนี้ไม่ใช่สูตรนี้ไม่ใช่ชื่อสูตรก็บอกอยู่แล้วว่ารหัคตะระโหคต ะ, ะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนที่ไม่รู้เป็นเรื่องลึกซึ้งสำหรับคนรูน้เพราะฉะนั้นถ้าพาซื่อเทนตรงอ่านภาษาแล้วก็ไปซื่อๆอย่างเงี้นะ นมันจะเป็นรับอะไรแล้วก็เปิดโจ sitten. มันก็แบไว้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของความแบไว้ตื้นๆอย่างนั้นไม่ใช่สูตรนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นชื่อสูตรนะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเดี๋ยวจะรู้ว่าเรื่องประมาทินั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนะลองอ่านดูนะหมายถึงสังขารเป็นของไม่เที่ยงว่างั้นนะว่าด้วยเวทนาสาเราจะปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติจะปฏิบัติสมถะหรือจะปฏิบัติวิปัสสนาอะไรก็ต้องรู้รู้จิตรู้เวทนา นะรู้ความรู้สึกรู้อารมณ์ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระภูมิมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระภูมิมีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ ก, กราบทูลพระภูมิมีพระภาคว่าข้าพระองค์ขอประทานพระวรกาสความปริวิตตกแห่งใจเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้ลีกเลนอยู่ในที่ลับอย่างนี้นะ ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกรขขมสุ ข, ขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาสามอย่างนี้ก็พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรันนี้ว่าความเสวยอารมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข ยืนยันชัดเลยนะความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์นะแม้แต่จะเป็นอารมณ์อุกขมสุขหรือว่าอุเบกขาก็แล้วแต่น ะ, นะดังนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสพระดารัสนี้ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ดังนี้ทรงหมายเอาอะไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วภิษุ ดูกระพิษุเรากล่าวเวทนาสามนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเรากล่าวเวทนาสามนี้ดูกระภิษุเรากล่าวคำนี้ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ดังนี้ดูกระภิษุก็คำนี้ว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง <x> เป็นทุกข์ดังนี้ เรากล่าวหมายเอาความที่สังขารสังขารทั้งหลายนั่นเองไม่เที่ยงสังขารเพราะฉะนั้นสังขารอยู่ที่ใดสังขารตัวนั้นไปยึดไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวค่อยค่อย อ, อ, อ, อธิบายนะดูกระภิกษุก็คำนี้ว่าความสวยอารมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ในะ น, นวงเล็บภาษาบาลีไว้บ้างดังนี้ เรากล่าวไม้เอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละท่านกล่าวไม้เอาความเป็นสังขารนั่นแหละนะพราะฉะนั้นการไปยึดหรือการไปเสพการไปเอาสังขารทั้งหลายทั้งประเทศเป็นของไม่เที่ยงแต่เราก็ไปยึดเอานั่นมันมันเป็นเป็นตัวที่โง่แล้วเป็นมันเป็นทุกข์เพราะความเสยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์นี่เรากล่าวไม้เอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละนะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไปดับไปแปรปวดแปรปรวนไปเป็นธรรมดาต้องเห็นความจริงอันนี้ให้ได้ว่าสังขารมันเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นเรื่องที่แปรปรวนอยู่เพราะงั้นมันจะเป็นทุกข์กับแปรปรวนปเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นสุขในเป็นความแปรปรวนทั้งนั้นหรือแม้แต่ที่สุดว่าจะไม่ทุกข์ไม่สุขพรเดี๋ยมันก็มามีอาการอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่ไรตามควรกับงมันได้ในคนที่ยังเห็นสุขเห็นทุกข์ในคนที่ยังเห็นว่าจะต้องได้รับรสสุข ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ลำดับนั้นแหละเรากล่าวความดับสนิทแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับนะดับสนิทแห่งสังขารนะที่จริงไม่ได้เป็นดับที่เวทนาดับที่สังขารอยู่ในเวทนาแล้วเวทนา ม, นมันจะบอกเราว่าเป็นสุขบางเป็นทุกข์บางเป็นอทุกขมัสุขบางอะไรเงนินเป็นต่างๆนะคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมดับ ว่าจานิรธาโหติเมื่อเข้าทุติยฌา น, ว, ว, านวิตกวิจารณย่อมดับมิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารานิรุธาโหติเมื่อเข้าตติยฌานปิติย่อมดับปิตินิรุ thagु ติเมื่อเข้าจตุทฌานลมอัศสาสปัสสา ส, า ส, าสาย่อมดับเมื่อเข้าอากาสานัญญาตนะฌานรูปปัญญาย่อมดับ เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าอากินจัญญายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าเนวัสัญญานาสัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าสัญญาเวทยิตนนิโรธสัญญาและเวทนาย่อมดับ ราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้สิ้นอาสวะย่อมดับดูกระพิกษุทั้งหลายลำดับนั้นแหละเรากล่าวความสงบแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับคือเมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมสงบเมื่อเข้าทุติยฌานวิตกวิจา์ย่อมสงบ เมื่อเข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธสัญญาและเวทนาย่อมสงบราคะโทสะโมหะของภิกษุผู้สิ้นอาสวะดูกระพิกษุย่อมสงบดูขึ้นที่หน้าสนะย่อมสงบตกไปดูกระพิกษุปัสส t ท i หกอย่างนี้คือ เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌานวาจาย่อมระงับเมื่อเข้าทุติยฌานวาจาออวิตตกวิจารย่อมระงับเมื่อเข้าตติยฌานปิติย่อมระงับเมื่อเข้าจตุตฌานลมอั ศ, า ส, าศาสาสะปัสสาสะย่อมระงับเมื่อเข้าสัญญาเวทิยตานิโรธสัญญาและเวทนาย่อมระงับราคะโทสะโมหะามผงภิกษุขี่นาศพย่อมระงับ เราลองฟังภาษาดูนะถ้าฟังภาษาบอกแล้วว่าฟังภาษาอย่างระนาบเดียวทวนไปตั้งแต่บรรทัพทายไปเลยราคาโทสะโมหะของภิกษุคีนาศพย่อมระ ง, งับหมายความว่าระ ง, งับหรือดับเป็นปัจสถานิปัจสัทนิแปลว่าความระ ง, งับแปลว่าความสงบเหมือนกันแหละคำ ว, ว่าสมุทะก็เหมือนกันระ ง, งับดับนะ สุดท้ายเราหมายเอาราคาโทสะโมหะของภิกษุขีนาศพระ ง, งับหรือดับเราไม่ได้หมายเอาอนอื่นดับทีนีถ้าปฏิบัติมันเข้ารูปรองของฌานต่างๆนานาพวกนี้จริงๆราคาโทสะโมหะก็ระ ง, งับจริงๆเอาย้อนขึ้นไปว่าเมื่อสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาและวเวทธนาย่อมระ ง, งับเนี่ย แล้วเขาก็บอกว่าดับถ้าแปลเต็มเต็มก็ว่าดับเลยสัญญาเวทนาดับหรือสัญญาหรือเวทนาเนี่ยระ ง, งับระ ง, งับหรือดับในข้างอันข้างหลังนี่ไอในข้อ3 9ม้อนี่ดูว่าเมื่อสัญญาเวทจิตานิโรธย่อมดับนี่เาใช้คำว่านิรุท ธ, ธานิรุท ธ, ธาปราวัาดับปิสัทธิแปลว่าส้งระงับนะแปลว่าเป็นภาษาไทยอย่า ง, งั้น ที่จริงมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหล ะ, ะถ้าบอกว่าสัญญาและเวทนาดับนี่นะคนที่เคยทำสภาวะมาแล้วนี่สัญญาและเวทนาดับนี่คือไม่รู้เรื่องอะไรแล้วท่านั่งทำเป็นสมาธิก็จะดับถ้าเรียกว่าอสัญญีอีกภาษาหนึ่งไม่มีเวทนาคือไม่มีความรู้สึกเพราะไม่กำหนดอะไร ไม่ระลึกถึงความจำไม่ระลึกถึงปัจจุบันไม่ระลึกถึงอนาคตสัญญาไม่กาหนดรู้อะไรเลยดับสัญญาเขาเรียกว่าภาษาภาษาทางบาลีเนี่ยเรียกอยู่คำว่าอสัญญีหรืออสัญญาอสัญญาอะไรนะสัตตสัตอสัญญีสัตตาอสัญญาสัตตา เป็นพรมชนิดหนึ่งสัญญีสัตายาตนาพรมสัตตะบวกอายตนาคืออายตนะนั่นน่ะระ ง, งับไม่กำหนดอะไรไม่ให้ไม่ให้ตัวสัญญาสัญญานี่คือธาตุที่กำหนดรู้ลงไปหรือธาตุที่มันจำอะไรต่อะไรได้อยู่มันผ่านอะไรมากระจำได้ปัจจุบันนี่มันก็กำหนดรู้เป็นปัจจุบันถ้าจะกำหนดรู้ย้อนสัญญาก็ย้อนความจำของตัเอง ถ้าจะกำหนดรู้ในปัจจุบันนี่กัปัจจุบันถ้าจะนึกคิดเขาเรียกว่าสังกับปะเึอคิดไปทาข้างหน้าไกลไปอีกเขาเรียกสังกับปะถ้าจะเอาเดี๋ยวนี้ก็สัญญากําหนดรู้แล้วก็ยังรู้ลงไปเนี่ยถ้าไม่ระลึกรู้อะไรไม่นึกคิดอะไรไม่มีสังกับปะไม่มีตักกะไม่มีรึกไม่มีดําริไม่มีนึกไม่มีคิดไม่มีการกรําหนดรู้อะไรเลยเกาเรียกว่าดับ ไปเลยไม่รู้เรื่องเรียกว่าไม่รู้เรื่องไปเลยดับไปเลยสัญญาและเวทนาดับไปเลยถ้าไปเข้าใจในขณะที่นั่งฌานนั่งสมาธินี่เขาเข้าใจว่าสัญญาเวทีจันนิโรดนี่คือนิโรดคือดับไม่รู้เรื่องอะไรดับเวทนาดับสัญญาก็คือดับนิง่งดิงไปเลยนี่แปลอย่างน ร, รนาบตามบัญญัติธรรมภาษาชั้นเดียวเขาแปลอย่างนั้น แล้วก็แปลกันมานะเพราะว่าขยายความเป็นภาษาก็ว่าสัญญาจะเวทนาจะปฏิ ป, ปสัทธาโหติย่อมเกิดสภาพระงับนะโหติคือการย่อมเกิดสัญญาจะเวทนาจะนิรุทธาโหติย่อมเกิดความดับนะดับเวทนาและสัญญาก็แปลตามคําอธิบา ย, ยางี้ที่จริงในนี้มีสัญญากันไปทางนั้นนะพออ่านย้อนขึ้นไปนะในหน้าสิบสา สัญญาย่อมดับพอสัญญาเวทียตรโรก่อจะถึงอันนี้นี่อากินจัญญายตนะสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเมื่อเกิดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานด้านี้อากินจัญญายตนะสัญญานั่นแหละสัญญานั่นแหละสัญญาในลักษณะอากินจัญญายตนะนั่น สัญญาอย่างอากิมจัญญาเาตนะนั่นแหละอาสัญญานั้นและดับไม่ใช่ว่าดับสัญญาทั้งหมดเข้าใจไหมเ <c oughs> ออทีนี้เนวสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาในบางสูตรมีเหมือนกันว่าแต่ว่าท่านไม่เรียกดับเร า, าเรียกว่าพ้น พ้นในวัสัญญานาสัญญายตนะสัญญาในนี้จะไม่เห็นว่าเมื่อเข้าสู่สัญญาเวทิจตานิโรธแล้วในวัฏสงญานาสัญญาญตนะสัญญาดับไม่มีเห็นไหมไปบอกว่าสัญญาและเวทนาไม่ได้บอกว่าสัญญาในวัสัญญานาสัญญายตนะสัญญาดับไม่ได้บอกว่าเงินคือไม่ได้ดับหรอกมันเป็นสภาพในวัสัญญาถ้าไม่รู้สภาวะแล้วเนี่ย คนที่ไม่ได้ทําสภาพจิตจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าในวัสัญญานาสัญญาจตนาขนาดขนาดไปทําจิตจริงๆยังไม่รู้นะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงกับพยัญชนะพวกนี้ไม่ง่ายนะในวัสัญญานาสัญญาจตนาคือสภาพรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างจะว่ารู้ก็ไม่ใช่เจวารู้ไม่เชิงแปลมาเป็นไทยวังเงินจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยก็แปลว่าจะว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือความรู้ที่ไม่เต็มนั่นเอง พราะฉะนถ้าอยู่ในอารมณ์พวางมันก็สรุมสรือแต่ถ้าอยู่ในความหมายของพุทธก็คือไม่ใช่สรุมสรือคือรู้ที่ไม่ชัดรู้ที่ไม่เต็มรู้ที่ไม่สมบูรณ์รู้ที่ไม่ครบพร้อมไม่รู้รอบทวนไม่รู้แจ้งแทงทะลุนั่นเองในวาสัญญาณสัญญาญตนะสัญญาก็คือกําหนดลงไปสัญญาคือการกาหนดรู้ที่ยังรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ถึงที่สุดรู้ไม่สมบูรณ์รู้ไม่ แทงทะลุรอบให้พ้นลักษณะนี้ให้เกิดการรู้สมบูรณ์รู้ครบรอบรู้แจ้งแทงทะลุให้หมดเป็นตรัสรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นสัญญาเวทยิยตันนิโรธจึงหมายความว่าสัญญาละเวทนานนนสมบูรณ์เพราะไม่มีอะไรเป็นอวิชชาอยู่เลยดับอวิชชาหมด นิโรธคือดับอวิชชาสัญญาเป็นวิชชาเวทนาเป็นวิชาชาเห็นไหมภาษาเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรหัระโหคตะบอกแล้วมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมันไม่ใช่ระนาบตื้นไม่ใช่เรื่องที่จะรู้กันได้โดยหยับๆาเน่ยเพราะความดับนะั้นคือดับอวิชชา อวิชชาสวะดับมีแต่วิชามีแต่ความรู้ยิ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นสัญญาไม่ใช่ดับดับสัญญาที่มันเป็นตัวสัญญาที่มันอยู่ในลักษณะที่ยังไม่สมบูรณ์ในวัฏฏานาสัญญายตนะดับนาสัญญาดิจนะสัญญาดับอกินจัญญายตนะสัญญาดับวิญญาณจายตนะสัญญาเอาทีนี้เรามาดับวิญญาณดูซิเป็นไงถ้าไป บอกว่ามันดับมาเรื่อยๆนี่ใช่ไหมถ้าบอกวันนี้ยุทธา ม, มาหมดเลยเอามาตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้นะเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมฌานวาจาย่อมดับวาจาดับเป็นคนใบ้เลยเอานะไล่มาเรื่อยๆนะหน้าสิบสาเข้าฌานแรกวาจาย่อมดับนะตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าฌานที่หนึ่งแล้วไม่มีวาจานี่ใช่ไหม นี่ข้าวชานึงแลนี่ข้าชา น, นึงแลไม่มีวาจาข้าชานึงก็นั่งนั้นเลยนี่ไม่มีวาจานี่เรียกว่าหมากรุกชั้นเดียวนะวาจามันหมายความถึงเรื่องราวหมายถึงเรื่องวัจีสังขารนะวจีสังขานี้เป็นเจตสิกหนึ่งในจิตขณะเราเรียนทำเราเรียนองค์ทำของสังกัปปะมาแล้วมีต ก, กะ องคธรรมเจดของสังขารของของสังกัปปะาตากะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพย ป, ปนาเจตโซินิโรปนาวจีสังขาราหรือวจีสังขารวจีสังขารหรือวาจาวาจาสังขารเนี่ยมันเป็นการปรุงชนิดหนึ่งท่านบอกแล้วแต่ต้นมาแล้วว่าสังขารทั้งหลายทำาไมได้บอกว่าตัวนั้นหรอก สั้งขานทั้งหลายโดยลำดับเป็นการดับสนิทแห่งสังขารทั้งหลายไม่ได้หม่หมายเอาตัวตรงตรงแต่สังขาร น, นี่ปนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นปนอยู่กับวาจาเสียงของอาตมากาลังพูดเนี่ยวาจาดับวาจาดับเพราะวาจานี้ปราศจากซึ่งอันสุดท้ายราคาโทสโมหะ อันสุดท้ายราคาโทสะโมหะดับของผู้สิ้นอาสวะไม่ใช่เป็นผู้ตายแงะแกะ่ไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดลมหายใจนะเอาเมือก็เอา ม, ามาดูที่ข้อที่จตุตฌานาเมื่อเข้าจตุตฌานลมอัศสะปัสสะสาสย่อมดับเมื่อถึงฌานสี่แล้วหมดลมหายใจคนหมดลมหายใจแล้วทําไงเอาไปป่าชาคนหมดลมหายใจแล้วเอาไปป่าชา้า เพราะฉะนั้นพอเข้าชานสี่เรียบร้อยเข้าชานสี่แล้วหมดลมเข้าลมออกแล้วหามไปป่าช้าได้เนื้อตาพาซื่อมาลุชันเดียวจะเป็นอย่างนี้ท่านบอกสังขารของลมหายใจบอกได้แต่ต้นสังขารสังขารทั้งหลายของวาจาของวิตกวิจาร์มีวิตกวิจารอยู่ไม่เท็จหมายความว่ามีวิตกวิจาร์ เพราะฉะนั้นในฌานรูปฌานนี่นะยังมีวิตกวิจารณไปถึงอรูปฌานอากาสาวิญญาณค่อยไม่มีวิตกวิจารณ <C le af> ไม่มีวิตกวิจารก็ไม่ในหมายเขาว่าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนามีสัญญาเวทนาสัญญาเวท น, นาเจริญด้วยเป็นสัญญาเวทนาที่บริสุทธิ์เป็นสัญญาเวทนาที่สะอาดเป็นสัญญาเวทนาที่ผ่องใสเป็นประสิทธิภาพของสัญญาเวทนาของแต่ละคนนะ จะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่มีบุญบารมีสัญญาดีเวทนาดีผู้นั้นก็มีสัญญาและเวทนาของผู้นั้นแหละที่ได้ฝึกอบรมมาได้ล้างได้ทำสัญญาเวทนาให้บริสุทธิ์หรือให้มีประสิทธิภาพความจำได้เก่งความกำหนดรู้ได้เก่งลึกซึ้งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นประสิทธิภาพของสัญญาประสิทธิภาพของความรู้สึก เป็นคนที่มีความรู้สึกเร็วที่เราเรียกภาษาไท ย, ไทยว่าเซนส์เออกรองก็หยภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนสティブหรือเซนซิเบิลอะไรอย่างนี้เป็นตน้นงั้นเร็วมันเป็นความรู้สึกที่รับได้เร็วแววไวรับ ร, ร, บรู้รับอะไรแต่ขจัดสังขารออกจากเวทนาออกจากความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกรับเร็วรับรู้แต่ไม่ได้มีสังขารไม่ได้มีสังขารรับรู้อะไรไวเร็ว ประสิทธิภาพของเวทนาก็คือความรับรู้สึกเร็วมันเป็นความเร็วแห่งการรับกระทบและกระลึกมันจะลึกและเร็วมันก็เป็นประสิทธิภาพของเวทนาของแต่ละบุคคลเอ ะ, ะเพราะงั้นมาลองไล่ดูนะ mm hmm. ผู้เข้าปฐมฌานวาจาย่อมดับหรือวาจาย่อมระงับในหน้า14บอกว่าระงับใน 14, ในย่อนย่อเหลือ6เท่านั้นเองไม่มีอรูปฌานนะ จะเห็นได้ว่าจุดจบสัาและสัญญาเวทียึติเวที่ยตนี้รอดเลยไม่มีอรูปฌานอัตมาเคยอธิบายนะว่าเวลาเราจะใช้งานเราไม่ต้องไปใช้อรูปฌานเราเพราะอรูปฌานเป็นผลอรูปฌานเป็นผลมันเกิดสภาพว่างจิตอาการสาในจิตมันว่างลงว่างอาการสาเนี่แปลว่าที่ว่างด้วยแปลว่าความสว่างด้วยแปลว่าแสงสว่างหรือแปลว่าความว่างด้วยอาการสานี่ เป็นความว่างมันว่างมันโล่งมันโปร่งมันใสมันสะอาดหมายถึงนามก็คือแสงสว่างหมายถึงรูปก็คือความว่างอาการอย่างนั้นแหละที่จิตจิตมันว่างมันโล่งมันโปร่งมันสว่างก็คือมันรู้มันแจ้งมันชัดมันเห็นหมด เห็นไฟเห็นฟ้าเห็นอะไรท่านอธิบายในในอภิญญาเนี่ยอภิญญาที่บอกเหมือนกับคนเห็นเงาหน้าของอะไรนะในในในอภิญญาม่าอะไรเหมือนคนส่องเห็นเหมือนคนยิงสาวที่รักในในในหน้าเนี่ยเหมือนมีกระจกส่องอ่าฮะ เหมือนหญิงสาวที่ชอบแต่งตัวเมื่อมีกระจกส่องในหน้าว่ามีไฟมีฝ้ามีริ้วมีรอยไม่สะอาดไม่สวยไม่งามตรงไหนตรงไหนเหมือนกับน้ำที่ในแม่น้ำเห็นน้ำใสใสนน้ำใสจนกระทั่งมองเห็นเห็นหอยเห็นปูเห็นปลาเห็นอะไรแต่ไรเกาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่ไรต่างนันานี่นั่นเรียกว่าแสงสว่าง เรียกว่าถึงระดับแสงสว่างถึงระดับยานที่แจ้งชัดทะลุโปรุงใสสะอาดแทงทะลุหมดอย่างนั้นนะรู้รอบ น, นี่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งระหโหคตะไม่ได้หมายความว่าเป็นความหมายที่ตื่นตื่นเขินเขิ น, ขนพาซื้อมากรุกชั้นเดียวพวกเทนสองบาท ใครไม่เคยได้ยินนิยายเรื่องเทนสองบาทบ้างใครไม่เคยได้ยินโอ้เยอะเนะเาะนะเล่าให้ฟังเทนสองบาทคืองี้มีพระเถระเขาเรียกเทนพระเถระที่จริงเน่ยนะเขาเขาเขาเขเรียกไปงั้นนะเทนพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยท่านก่อนจะออกปิณฑบาตนะท่านก็เอาบาทมาส่องเขาก่อน ทำตังเงี้ยเอาบาตมาแล้วก็มาทําสองนี่มาทำตรูตเงี้ยมีเนนน้อยอยู่กับพระเทระเนี่ยคอยสังเกตเห็นเออบอกว่าอาจารย์เนี่เวลาออกไปก่อนจะออกบิณทบาทจะส่บาททุกทีเลยดูบาทเสร็จแล้วท่านก็ปัดเช็ดอะไรต่างๆแล้ว ก, ก็ออกไปบินทบาทกลับมาเต็มบาทรรวยเนนน้อยไปบิณทบาททีไรมันไม่เต็มบาทเหมือนพระเทระสักที แมพระเทระนี่มีเคร็ดแง่ๆเลยเ <c oughs> พราะเห็นตอเช้าท่านก็เอาบาทรมาส่องดูตรวจตราทุกทีแล้วท่านก็คอยไปปินทบาตกลับมาเต็มบาททุกทีเนนก็เอาบางังถึงก็เอาบาทส่องเล็กทำเหมือนเลยนะทําเหมือนพระเทระทำทําส่องก็เล็ทําเหมือนกันเลยแล้วก็ออกไปปีนทะบาตกลับมาก็บอกพร่องอย่างเกา่ามันก็ไม่เต็มบาทรอย่างเกา่า ก็ทำทำหลายวันทำทำแล้วทําเล่าทําทําเหมือนกับอย่างพระเทรทะรำนะท่านส่องก่อนจะไปพิธีแต่มันก็ไม่รวยกับพระเทระเหมือนพระเท ร, ระทราซักที อ, อก็เลยสุดท้ายกัเลยบอเอ๊ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ได้ท่องคาถาแ น, แน่เลยไม่ว่าท่านส่องทําพิธีแล้วก็ท่องคาถามาถึงเฮงบินทบาทได้รวยแท้ๆไม่ใช่ก็อดไม่ได้ก็เลยต้องถามท่าน ว่าท่านทำอะไรอย่างนั้นท่านตรวจตราบาดบาดมันจะทะลุมันจะเป็นรูเป็นอะไรไม่ได้อบัดนะท่านต้องซ่อมเพราะงั้นเวลาจะไปบินตะบาดหรือเวลาจะใช้บาดต้องใช้บาด ท, ที่ดีให้สะอาดสะอาดให้เรียพร้ออย่าให้มันทะลุอย่าให้มันโหวยอย่า้มันเป็นแผลเป็นอะไรต่อไรแล้วก็ต้องแก้ไขซ่อมแซมนั่นคือเรื่องราวนั่นคือเนื้อหา ไม่ใช่มานั่งสองบาทเป็นพิธีสวดมนต์เป่ามนต์อะไรเพื่อให้มันแหฮงไปบินทบาทไม่ใช่ท่านเฮงก็เพราะท่านเป็นพระเถระมีคนศรัทธาเลื่อมใสก็เนนยังไม่มีขีหมาอะไรเขาจะไปใส่ให้มากๆากเพราฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างเนนนั่นแหละเรียกว่าเข้าใจอย่างเถนสองบาทเข้าใจอย่างเถนสองบาทเข้าใจตื้นตื้นมารุกชั้นเดียวแค่เห็นท่านสองบาทก็นึกว่าท่านทองคถาท่านทําพิธีการอะไรที่ก่อนจะไปบินทบาทไม่ใช่ เนื้อหาขท่านนะท่านตรวจตราบาดเรียกว่าเทนสองบาดบางคนตื่นตื่นแบบเทนสองบาทก็แบบนี้หมารุกชั้นเดียวนีน่ว่าท่านท่องคถาแล้วทำตามแล้วทําอย่างบ้างนวันนี้นี่มัไม่ใช่เรื่องตื่นมันไม่ใช่เรื่องมารุกชั้นเดียวไม่ใช่เรื่องเทนสองบาดเป็นเรื่องลึกซึ้งเมื่อเดี๋ยวเรารู้แล้วนะตอนจาก ใช้จริงๆแล้วนั่นอะอรูปฌานไม่ได้ใช้หรอกเป็นผลนะอากาศสาคือสภาพของความบรรลุชนิดหนึ่งของพุทธนะนี่ของพุทธก่อนนะของพุทธก่อนวิญญาณัจา ก, ก็คือความมีวิญญาณเข้าถึงสภาพวิญญาณที่บริสุทธิ์ขึ้นว่างขึ้นแล้วปราศจากกิเลสอะไรแล้วนะ อากินจัญญายตนะยังไม่พอตรวจอีกอะไรมีอีกเศษเล็กเศษน้อยส่วนที่เหลือเอาให้ไม่มีอากินจัญญาแล้วว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีไม่ให้เหลือแม้แต่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งนั่นเองไม่ใมีอีกตรวจอีกอเนวสัญญานาสัญ ญ, ญาเจตนะก็คือตรวจย่างครบครันให้รู้แจ้งเห็นจริงสัญญาเวทจิตตัง เวทยิตาในแปลว่าการเคล้าเคลียอารมณ์ให้สัญญาทํางานเคล้าเคลียอารมณ์เคล้าเคลียลักษณะของจิตเจตสิกให้ครบหมดเลยว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอารมณ์ค้างที่เหลือไม่มีอารมณ์เศษที่เหลืออารมณ์ที่มันไม่ไม่บริสุทธิ์อารมณ์ที่มันยังเป็นลักษณะเสือส่วนเศษของราคะรัตเซินเศษของโทสะอย่างละเอียด จะมีอย่างบางอย่างเบาอย่างทุรีละององจะนอนจะเนื่องจะค้างจะหลบจะเลี่ยงอยู่ที่ไหนให้ตรวจให้เสร็จเขาเคลียอารมณ์ตรวจอารมณ์นั่นเองตรวจให้หมดให้เกลี้ยงสัญญาเวทิจิตะนิโรธจนเห็นว่าดับสนิทไม่เหลืออะไรที่ดับสนิทไม่เหลือสมุทัยไม่ดับอะไรหรอกในาศาสนาพุทธไม่จะไปดับเอาไม่เขาทาดับสมุทัยไม่จะไปดับจิต จิตไม่ต้องไปดาบราเพราะจิตมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตไม่ใช่อะไรจิตมันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยยังมีรูปนามขันห้ามันยังมีรูปยังมีสัญญาสังขารยังมีเวทนายังมีวิญญาณอยู่กับร่างที่เป็นรูปธรรมมันอาศัยอยู่เท่านั้นเองเมื่อเวลาไม่จิตไม่ตั้งอะไรอีกไม่มีพบอะไรอีกไม่ต่ออะไรอีกเลยพระอรหันต์เจ้าไม่ต่อพบ ไม่ต่อภุ่มไม่ตั้งอะไรอีกไม่ยังลงในอะไรอีกเลยวางได้จริงๆปล่อยได้จริงๆไม่เหลือเชือ้อตันหาแม้วิภวตันหาวิภวะตันหาจะน้อยจะเล็กจะละเอียดอีกแค่ไหนท่านก็ไม่เอาไม่มีวางเลิกล้างหมดหยุดเพราะร่างกายแตกดับรูปดินน้ำไฟลมธาตุน้ำดินน้ำไฟลมแตกดับปิญญาณก็หายไปในตัวเพราะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันไม่ใช่สิ่งเกาะกลุ่มมันไม่ใช่ ตุปปองตุปปองตุปปงไปมันตุปปองตุปปองอยู่มันยังรวมกันอยู่กับวิบากเพราะมันมีตัวตัณหาอย่างเหนียวถเรียกตัณหาว่าอย่างเหนียวแม้เป็นวิภาวะตัณหาก็รวมอยู่ยังไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะยังต่ออยู่มีพบอยู่ก็ยังมีตัณหาอยู่พระโพธิสัตว์จะยังมีตัณหาอยู่คือวิภวะตัณหา ตัญหาอุดมการนะไม่ใช่ตัญหาเพื่อตัวเองหมดตัวหมดตนก็หมดไปได้แต่เพื่อผู้อื่นเพื่อโลกนะเพื่อคลา ย, ยแต่ก็ยังเป็นสภาพเป็นความปรารถนาดีเป็นความต้องการเป็นความไม่ปล่อยเป็นความยังเหลืออยู่นะในขณะที่สักอุปัติเสสันิพาน์ก็ยังเหลืออยู่ เป็นพระอาาริยเจ้าเป็นพระอรหันต่างก็ยังเหลืออยู่ยังทําอะไรแต่อยอยู่ในสิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์เป็นไปยังไม่หมดยังไม่วางอนุปาทิเสศษไม่เหลือเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยหมดทุกอย่างโดยเฉพาะตัณหาที่ว่าหมดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรงอายุสังขารนี่นะตอนแรกพอทําไปตามระยะปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปั๊บท่านก็มีความมุ่งหมายที่จะไปถึงที่สุด เมื่อถึงที่สุดท่านตรัสรู้ท่านบอกอ้าวสุดและจบหยุดในขณะนั้นจิตหมดวางหมดไม่มีตัณหาพระพุทธเจ้าก็สว่างโปรง่งใสที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพระอานนท์อันหนึ่งนะว่าตถาคต น, นั้นยังมีจิตที่โปรง่งเบาว่างใสที่สุดสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือตรัสรู้ ตอนตั้งตรัสรู้ครั้งที่สองคือไม่ใช่ปรงอายุสังขาร p รงอายุสังขาร น, นั่นบอกว่าเลิกละหมดละทีนี้ไม่ต้องทำงานต่อละจบหยุดปรงอายุสังขารจิตจะวางใจเลิกและยังไม่ทันตายยังไม่ได้ปรินิพานยังไม่ทันตายปรงอายุสังขารก่อนตาย3มเดือน นั่นแหละพอปลงใจสังขาปรปั๊บว่างนั่นเองนั่นแหละสว่างว่างโลกที่สุดสองครั้งนี่เป็นเรื่องของจิตถ้าคนไม่รู้มาอธิบายคุณฟังไม่ออกหรอกใครก็เคยอา่านถ้าเธออ่านประวัติพระพุทธเจ้ า, อ, าอ่นนนนานพระอนนท์ท่านตันดกับพระอนนท์นี่อ่านพระเตปริดกอ่านก็เคยอ่านกันนะมหาป ร, ริญยนเคยอ่านพระเตปริดกหลายๆมหาป ร, ริญญาก็คงจะได้ฟัง จิตมันว่างจริงมันปลอยจริงคือวางไม่มีตัณหาแต่ไม่มีตัณหานี้เป็นไม่มีตัณหาโดยธรรมโดยเจตนารมณ์แล้วและไม่ปรารถนาที่จะทําอะไรต่อในขณะที่ปรารถนาจะสร้างาศาสนาให้เป็นปึกแผ่นพอเริ่มต้นวางแล้วท่านก็จะไม่เอาอะไรก็เหมือนกับจิตที่มันจะไม่เอาอะไรเดือดร้อนถึงพระพรห ม, มมันก็มองดูอะไรมันก็ทุกข์ อยากเนเห็นคนพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนี้เนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าองค์นี้นะโลกมันเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยมานะการถือดีสงสัยจะเหนื่อยเปล่าสรมังเนี่ยจะช่วยไวหวรึนะพระพุทธเจ้าท่านเกิดปริวิตกอย่างนั้นแวบเดียวเท่านั้นแหละเดียว่ับปริวิตกไปในแง่ลบนะอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีละ เดือดร้อนพระพมบอกชิบหายแล้วหนอชิบหายแล้วหนอนะพระพมบ่นเลยเป็นปุคะราชิฐานนะพระพรมมก็บอกเขาจิตพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละจิตเมตตากรุณามุติตาอุเบขานั่นแหละจิตผู้ที่จะต้องเห็นแก่มนุษย์โลกจะต้องสร้างสรรค์จะต้องช่วยเหลือจะต้องเกื้อกูลมีภักดิ์มหากรุณาธิคุณ น, นั้นทาที่สุดไม่ได้จะต้องเป็นจิตอย่างนั้น ถ้าคืนจิตอย่างนั้นก็ที่จริงนะที่จริงควรลงโทษหรอกคิดไม่ดีแล้วนะพระพุทธเจา้านี่พูดแบบหยาบพูดหนักๆ น, นะคิดไม่ดีแล้วจะไม่สอนมนุษย์นี่เสียหายนะมันชิบหายแล้วนะโลกแต่เราไม่ไปเพ่งโทษพระพุทธเจา้าเราก็บอกชิบหายแล้วหนอโลกจิมายแล้ไปให้พระพรหมหนุนเพ่งที่แท้ก็ตัวเองนั่นแหละเป็นความสำนึกของตนเอง ว่าเราอย่าไปคิดชั่วเราอย่าไปคิดผิดเราอย่าไปคิดในทางลบเราอย่าไปคิดในทางไม่ดีแม้นิดน้อยนี้ท่านปริวิตรกท่านก็ต้องสํานึกตนเองท่านก็รู้ตนเองนี่บรรยายให้ฟังโดยเนื้อหาโดยความหมายแต่ทําเป็นบุคลาธิฐานสําหรับคนที่งงๆบอกบอกว่าไปดูถูกพระพุทธเจ้ า, จาไม่ใช่ดูถูกหรอกเป็นความมันมีแง่ลบแง่บวกอยู่ในตัวแวบบหนึ่งวัแบบหนึ่งได้เพราะแม้ท่านปริวิตรกนิดหนึ่งชั่วแว บ, บเดียวว่าม ไม่สอนสดีมั่งมนุษย์เนี่ยไม่ทำไมมันโอ้ยแย่เลยไม่มีพระเมตตาอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมไม่สอนสดีมั่งมันกา ม, มันก็เยอะมานะมันก็ใหญ่แล้วเกินนี่อาตมาคิดอย่างนี้กับพระคุณท่านดีมั้งเนี่ยฮะ <c oughs> มานะมันก็เยอะกามมันก็แยะอะฮ ะ, ฮะอะไรนะได้ว่าผมร้องเหรอ พระคุณเป็นพระพรหมเหรอโอ้โห و, เป็นได้เลยเลยเป็นคุณเป็นพระพรหมเลยเหอรอร้องเลยเหรอสิบหัวใหญ่แล้วนอนพระโพโที่รักไม่สอนคนแล้วอะนะอสิบหัวใหญ่แล้อน ะ, อะนี่เป็นบุคคลาธิฐานเป็นธรรมธิฐานต้องฟังให้ชัดแล้วรู้ให้จริงว่าถ้ารู้จริงแล้วมันก็ชัดมันก็เป็นอย่างงั้นแหละพรานั่นจะไม่เลยลงโทษหรอกเป็นลักษณะที่มันเป็นพระพุทธเจ้าปริวิตรกัดหนึ่งชั่ว เหยียดแขนออกคูแขนเข้าเร็ววัดหนึ่งท่านก็ต้องรีบกลับตัวเหมือนกับพรพรหมที่ต้องอาราธนาแล้วมอยดายดนะมอยยังพันเตอะไรนะันไม่ใช่พรหมมาจรโรกาเอ่ออ่อะอ่ออ่าก็เขียนเป็นบทไปอย่างนั้นแหละที่จริงเขียนขึ้นใหม่พรหมมาจรโรกาที่ปฏิสามปฏิอะไรนะั่นนะ ก็ต้องอาราธนาหรือตนเองนั่นแหละต้องไม่ได้ต้องรีบนึกคิดเปลี่ยนเสี้ยวใหม่ต้องตนเองต้องทํากิจพระพุทธเจ้าไม่ทํากิจไม่ทําพุทธกิจไม่ทําพธิกิจไม่ได้ต้องทําพุทธกิจนั้นต้องทํางานนั้นเพราะปรารถนาไปก็เพื่อที่จะต้องช่วยโลกช่วยมนุษย์เป็นโลกานุกรรมปายเป็นพระโลกกนาฏต้องช่วยมนุษย์เท่าที่จะช่วยมันจะยังไงยังไงก็ต้องช่วยเป็นกิจเป็นหน้าที่เป็น วาระถึงวาระแล้วก็ต้องทำเนี่เป็นลักษณะของนามาทำเป็นลักษณะที่ลึกซึ้งทั้งนั้นเป็นลักษณะที่ลึกซึ้งเมื่อท่านตั้งจิตพอแวบเดียวท่านก็รีบตั้งจิตแล้วก็ต้องทำงานพอว่างลงนิดเดียว ม, มันไม่ว่างแล้วตอนนี้ต้องทำงานแล้วตอนนี้พระเจ้าทำงานแล้วอาตมาว่างนานนะ อยู่วัดอโศกกรามวางนานตอนที่ไม่วางเด้อยู่วัดอโศกกรามนานพระพรหมกว่าจะอารัธนาออกมาจากวัดอโศกกรามได้นานไม่เหมือนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าถือนานอย่างอาตมาโลกชิบหายใหญ่เลยพระพุทธเจา้าก็ขื้นไปเพลอไพรท์ทำเป็นว่างนานนานเหมือนอาตมามไม่ได้อาตมามนานกว่าพระพรหมจะลากออกมาไม่ใช่อารัธนา คือความรู้สึกของเรากว่าจะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะไหวพริบกว่าจะทันกว่าจะรู้ว่าเอคาเป็นใครขคาต้องทําอะไรกว่าจะรู้ตัวน่าเลยเมามุนอโอ้สเสวยไอยพบไป่ก็เรื่องอยู่นั่นนะ่ะมุนอยู่เนี่นนะเพราะงั้นใครยังถามมาทําไมลราเป็นเจโตสมถะอยู่ที่นั่นหมดนะไม่จมอย่วัดอโศการามทําไมไม่ให้ผมไปเจโตอยู่สมถะมุนอยู่ท่านอยู่วัดอโศการามมั่งอนะ่ะ ทำไมให้ออกมาทำงานทำงานทำงา น, งานบอกฮานาอย่ามาช้างขี่อย่าขี่ตามช้างเลยนะมันไม่มดีครับเห็นช้างขี่ก็ขี่ตามช้างไปสมหมดไม่ถูกนฟังดีๆพวกนี้อธิบายอะไรผสมประเสเพื่อให้เราได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งขึ้นฟังไปเรื่องนิดเรื่องหน่อยแถมให้เกิดญาณปาัญญาเกิดปฏิภาณมันลึกซึ้งละเอียดที่พูดเนี่ย ที่อธิบายเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันมีอะไรนัยยะต่างๆนานาหลายเรื่องที่คุณได้เคยได้ยินได้ฟังฟังธรรมเนี่ยฟังเทศนาเนี่ยหลายอย่างได้เคยได้ยินได้ฟังอ๋อมันหมายงี้เหรอแดีวมันจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นของเก่าแต่มีอะไรใหม่ๆมีองค์ประกอบมีวาระมีเรื่องมีราวมีโน่มินี่มาประกอบกันเข้าอ๋องี้งี้เหรอมันเข้าใจลึกขึ้นไปอีกแต่ก่อนนี้แล้วเขาว่าเข้าใจอันนี้แล้วนะแต่ตอนนี้เข้าใจอีก เขาใจลึกไปขึ้นไปเรื่อยๆนะอั น, นิี้สอในการฟางธรรมจะมีอันนีสงห้าประการอย่างนี้จริงๆน ะ, ะในะในความหมายที่ว่ามันมีอะไรซ้อนอยู่ในเจตสิกอยู่ในจิตปิญญาอยู่ในจิตอยู่ในอะไรต่ตางๆนานาพอดีมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะมีอย่างพระอภิธรรมแยกเอาไว้เจตสิกมากมายนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาและยังมีวินิจฉัยมีวิจารณญาณมีโนมีนีม่มีอัตมาอ่านแล้วก็เยอะ นะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะเอาทีนี้กลับมาเข้าสวนนี้นะเมื่ออันิดหนึ่งน้อยหนึ่งอะไรไม่มีแล้วในวาสัญญาณสัญญาไม่ใช่ไม่รู้ต้องให้รู้หมดรู้บ้างไม่รู้บ้างจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้อย่างพ้วิจิกิจชาอย่างสูงสุดพลวิจิกิจชาสูงสุดหมดสงสัยรู้แจ้งแทงทะลุเหมือนมันทะลุโลกไปถึงไหนไหนน่นเลยมันเหมือนรู้เหมือนว่าไม่จะอะไรจะไม่รู้ไม่มี มันบางทีมันทะเลถลายไปถึงขนาดนั้นนะอาตมาเคยเล่าเนี่ยตัวเองเอตตอนที่มันรู้มันชัดมันแจนโอ้โหเรานี่ยแหมตอนนี้เนี่ยอะไรนาะจะมีให้เรารู้อีกเนี่ยก็มันรู้จริงๆแล้วมันรู้หมดเลยเนีย่อะไรมันก็รู้หมดเลยเนีย่สงสัยแหมในโลกนี่ไม่มีอะไรไมาให้เรารู้มันเหมือนอย่างนั้นเลยนะที่ไหนด้านเรายังมีอีกตังเยอะที่เรายังไม่รู้ มันตอนนั้นมันเป็นอย่งงางนั้นจริงๆแล้วโอ้โหไม่กลัวอะไรเลยโลกนี้เรารู้หมดทุกอย่างจริงมีอะไรให้เรารู้อีกแล้วกันี้นะโอ้โหมันรู้จริงๆเลยนะมันลุกสึกอย่งงางนั้นจริงๆเลยแล้วมันผยองจริงๆเลยมันผยองนะตอนหลังๆทีบอกว่าโอ้คิดจะตรวจก็ยังไม่เป็นเลยท๊อไม่รู้หมดได้ยังไงเนาะหลายๆอย่างเราก็ยังไม่รู้เลยนะ ตอนนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันรู้แล้วว่าเรารู้สิ่งที่ละเอียดหึกอสิงมันรู้จริงๆรู้รอบรู้อะไรแต่อะไรมันบรรยายไม่ถูกนะว่าจะบอกคุณว่ายัางไงก็บอกได้เป็นภาษาจับยากแค่นี้นะสัญญาเวทียตานิโรธบอกแล้วว่าไม่ใช่ไปดับสัญญาดับเวทนาแต่ดับอวิชชาฟังไว้ให้ชัดพ้นอวิชชาพ้นความไม่รู้นั้นพ้นอวิชชานั้น อวิชานั้นดับอวิชชาสวะดับไม่ใช่ไปดับสัญญาดับเวทนานะสัญญามันยิ่งเจ๋งสัญญาและเวทนานั้นถึงซึ่งนิรุท ธ, ธาสัญญาและเวทนาถึงซึ่งนิรุท ธ, ธาถึงซึ่งความดับหมดเลยดับสิ่งที่ควรดับก็คืออวิชชาสวะในสัญญาเวทนานั่นแหละไม่ในในอื ภาษาสั้นๆกำมึงเอาไปดับอันนี้เอาไปขยายอันนี้วยากรณ์เขาก็วางเขก็ไปตามเรื่องตามราวเอาเถอะคุณอธิบายไวยากรณ์ภาษาขยายโน่นขยายนี่คุณขยายกันไปขยายมันได้แต่ขยายขนาดหนึ่งอัตมาขยายไปได้อีกเขาก็ขยายได้ขนาดของเขาอัตามาขยายไปได้อีกเขาขยายไปได้ระนาบหนึ่งอัตามาขยายไปได้อีกระนาบหลายมิติกว่า น, นั้นไปดับเวทนาดับสัญญานั้นมันไม่ใช่นะอันนั้นไม่จะมีธาตุรู้นะแล้วก็ไม่จะมีอะไรยิ่ยงไปดับไว ไปดับเวทนาสัญญานี่ดับปุ๊บก็ดับเลยดับเลยยิ่งโง่อยู่ตรงนั้นอ่ะยิ่งมไม่เคยเรื่องอะไรเลยไม่ได้ได้ปรุงอะไรไม่ได้สังขารอะไรไม่ได้คิดนึกอะไรไม่ได้ตักกะวิตกะไม่ได้ตรวจตราอะไรวินิจฉัยอะไรเลยไปถึงก็ปับ๊บนายเก่งนะนิโรธเก่งปุ๊บปั๊บเข้าไปถึงวินาทีก็ดับเลยได้เรานิยมอย่างนั้นซะด้วยนะดับนั่นแหละคือนิโรธฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติ เสรแล้วก็ยิ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้ก็จมอยู่ในภพนั่นแหละภพดับนั่นแหละมันก็ยิ่งได้ไม่ได้เรื่องนะอันนี้ก็ผลทีนี้ก็มาที่เหตุวาจาก็คือเรื่องราวก็คือ ว, วจีสังขารนะมันปรุงมันอะไรต่ออะไรต่างๆนานาที่มันมีสังขารที่เป็นส่วนที่เราต้องรู้ว่าสังขาร น, นี้เป็นอัศาธาสังขาร น, นี้เป็นเรื่องอกุศลเป็นเรื่องทุจริต สิ่งที่มีส่วนของกิเลสตัญหาอุปทานเอามาร่วมสังขารเอามาร่วมปรุงไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีสังขารพระอาหารหันต์เจ้าก็ยังมีสังขารมีรูปนามขนาันธ์ห้ามีเวทนาสัญญาสังขารเป็นปุญญาพิสังขารถ้าส่วนของเราเหลือกิเลสเรายังเหลืออยู่เราก็ล้างส่วนที่มันปรุงกับกิเลส ข, ของเราออก เรียกว่าล้างสังขารส่วนที่มันไม่ควรจะมาสัางขารกันในจิตวิญญาณของเราอะไรแหละมันที่จะไม่ควรมาปรุงอยู่กับในปะปนอยู่มันเป็นส่วนไม่ดีมันเป็นมลพิษเอามลพิษนั่นออกอย่าให้มามีสังขารเอาแต่ของสะอาดปรุงอยู่กับของสะอาดเป็นปุญญาพิสังขารสร้างเพื่อผู้อื่น สร้างเพื่อบุญเพื่อกุศลสร้างเพื่อคุณค่าไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูเสพบอกแล้วว่าไม่สเสวยอารมณ์สังขารไม่สเสวยอารมณ์ในนี้บอกอยู่ชัดๆอยู่แล้วไม่สเสวยอารมณ์นะเพราะงั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วถึงวาจาย่อมดับก็คือเรื่องราวเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ ต้องวิตกวิจารณ์ต่อต้องตริกต้องนึกต้องคิดต้องตรวจต้องทํางานจนกระทั่งได้ดีเพิ่มขึ้นเรียกว่าได้ปีติวิตกวิจารณ์ก็ไม่ต้องต่อแล้วพอคิดได้แล้วตรวจเห็นแล้วแยกวิเคราะห์ได้แล้วสภาพที่เอาออกก็เอาออกได้แล้วสภาพที่ยังไม่ตั้งมันก็ทําตั้งมันได้แล้วสภาพที่ ล้างออกแล้วก็ให้ตั้งมัน่นให้แข็งแรงให้มั่นคงล้างออกทำสมาธิเนี่ยคืออยากให้มีกิเลสและจิตก็แข็งแรงตั้งมัน่นทำได้ชั่วคราวจนกระทั่งเก่งขึ้นมั่นขึ้นยืนนานขึ้นต่อเนื่องได้ยาวขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ, ๆนี่คือสภาพของการทาสมาธิให้อารมณ์ที่เราต้องการสภาพที่ปราศจากนิวรให้มันได้ต่อเนื่อง ให้มันแข็งแรงคงทนทําได้เรื่อยๆก็คือได้ดียิ่งขึ้นได้ดีขึ้นเขาก็จะมีจิตปิติที่เป็นอุปกิเลสซ้อนด้วยและหรือได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นคือผ่านปฐมฌานผ่านทุติยฌานขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปฏิยฌานจนกระทั่งมีปิติมือได้ดีได้ดีหรือถ้ามีอุปกิเลสที่เป็นปิติ ก็ดับส่วนที่เป็นอุปเกิเลทที่เป็นปิตินออกไปแต่ไม่ใช่ดับความดีที่เราได้ดับสิ่งที่เราได้ขจัดนิวรณ์ออกจากจิตไม่ใช่อาการที่ทำนิวรณ์ออกจากจิตได้นะั้นเป็นจิตที่ดีเป็นจิตบริสุทธ์เป็นจิตที่เพ่งเผากิเลสออกได้เป็นตัวชาญแล้วไม่ได้ทิ้งฌาน แต่ชานนั้นมีอนิสงอะไรรู้ไหมชานมีอนิสงอะไรสุขชานเป็นสุขสุขอนูปสมโมสุขด้วยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอ่านด้วยอ่านรสของผู้มีชาญเราเนะี่ยแหละอ่านของเราจะไปอ่านของคนอื่นอ่านคนอื่นไม่ออกหรอกเราจะเป็นจะเปอุตริว่าคนอื่น ชิมแกงเราก็เลยรู้รสไม่ได้เราต้องชิมแกงเองแล้วก็ถึงจะรู้รสเพราะเราจะต้องทําชานเองแล้วก็รู้รสแกงของเราเองรู้รสชานของเราเองเสร็จแล้วจะตุเตชานลมอัดสาสัปปัสสาสะย่อมดับแม้ตอนนี้เราก็หามไปเผาแล้วนะคือหมายความว่าเราไม่ต้องคํานึงเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับองค์ประชุมที่ไม่เกี่ยวข้อง อัฏฐสัพสะะ ส, ะสะหมายถึงกายหมายถึงองค์ประชุมพระองค์ประชุมที่เราเองอาศัยเราอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนี้ไม่แล้วอยู่กับสภาพที่เป็นสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เป็นนามธรรมาเป็นในองค์ประชุมในเคราะห์วิวจัยทําอะไรอยู่อยู่กับสภาพของจิตถ้าเรียกกายก็เรียกกายในกายองค์ประชุม ถ้าเรียกเวทนาก็เวทนาในเวทนาเข้าไปเรื่อยๆเวทนาคือความรู้สึกเมื่อความรู้สึกมีสุขมีทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาที่ยังนอกหรือยังเป็นองค์ประชุมหยาบมีสุขก็ดีมีทุกข์ก็ดีขจัดสุขขจัดทุกข์ออกขจัดเหตุแห่งทุกข์ออกขจัดออกก็จะเกิดความรู้สึกเวทนารู้สึกสะอาดขึ้นรู้สึก ว่างขึ้นรู้สึกสงบขึ้นสงบขึ้นไปเราก็จะต้องเอาจิตของเรานี่เขาเป็นแนบแน่นไปรู้สึกเพราะฉะนั้นองค์ประชุมนอกคืออัศสาสะปัสสาสะหรือกายนอกหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆไม่ได้มาเกี่ยวมาคล้องเรื่อยๆไม่ได้มาเกี่ยวมาคล้องเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เวทนาในเวทนาฌ า, านสี่คือฌานสูงนั้นนะฌานสี่นี้เป็นฌานที่ตัดสินแล้วนะ เพราะฉะนั้นจะเกิดอุเบกขาจะเกิดแม้แต่สุขสุขเพ ร, ะเร า, ขขาพระไม่มีสุขไม่มีทุกเรียกว่าอทุุขมรสุขเขเวทนาสุขเพราะไม่มีสุขไม่มีทุกหรืออุเบกขาอัตุขมสุขหรืออุเบกขานี่เขาใช้เป็นซิมโนนิมเป็นคำที่ใช้แทนกันได้อทุุขมรสุขหรืออุเบกขา เวทนาในเวทนาถึงขั้นนั้นเพราะเราดับสังขารที่เป็นทุ ก, ทกขเวทนาดับสังขารที่เป็นสุ ข, ขเวทนาหรือดับเหตุแห่งทุกข์ออกไปได้จริงๆเวทนานั้นก็สะอาดผุดพองบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยจนมันเองมันเป็นอุเบกขาเวทนามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเจตสิก สิ่งหนึ่งใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครมันเป็นธาตุตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องทําสัญญามันม่นหมายรู้ว่านี่คือธาตุที่บริสุทธิ์อันหนึง่งเราจะลงนิยว่าเราได้แล้วเว้ยเราได้แล้วเว้ยเสร็จเลยตอนนี้สังขารแล้วสังขารดูเบิกขาแล้วบอออได้อ๋ออันนี้คืออันนี้ อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออุเบกขาธาตุคืออุอทุกขมุขเจตสิกธาตุอันนึง่งทำใจในใจให้ลึกซึ้งในเวทนาขึ้นไปนั่นแหละตอนนี้ถึงจะไปสามารถที่จะไปทำปฏิกริยาหรือว่าทำการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งละเอียดจะมานั่งขณะนี้คุณมานั่งคำนึงเท่าพูดกันโดยหยากก็บอกว่าจะมานั่งนึกถึงเออลมหายใจมันออกอยู่เนาะ ลมหายใจมันเข้าอยู่นอว่าบออกไปนอกนู่นแล้วกูวาดเข้ามาพิจารณาอย่างนี้หบูยไม่ต้องคิดถึงแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วาศาศาป ศ, าศาัสลปศัสลไม่เกี่ยวแล้วมันละเอียดมากแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจึงจะพิจารณาถึงผลว่าสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่ในใจจตุทัชานแม้แต่ที่สุดว่าว่างคุณก็ซับอารมณ์เวทนานี้เป็นอากาศาให้ได้นะผู้ประสัญญาย่อมดับ เมื่อพูดถึงอากาสารนัญจายตนะรูปประสัญญาก็คือสิ่งที่ถูกรู้กาหนดรู้ว่าอุเบกขาอุเบกข า, าเจตสิกเป็นอย่างไรหรืออทุกขมสุขเจตสิกเป็นอย่างไรแล้วเราก็อย่าไปกําหนดหมายว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นเราเมื่อไม่กําหนดว่าเป็นเราคุณก็จะวางเลยนี่เป็นภาษาพุทธนะคุณก็เป็นภาษา เป็นภาษาพุทธเมื่อคุณวางว่าไม่ใช่เรามันก็คือการกําหนดสัญญานั่นแหละมันเป็นอากาสานัณจายตนะสัญญานั่นแหละฟังให้ดีๆเป็นอากาสานัณจายตนะสัญญาคือการกําหนดว่างคุณใช้สัญญาของคุณทํากําหนดจริงๆกําหนดรู้ว่าว่างคืออะไรและทําว่างนั้นให้เวทนารับรู้เวทนาของคุณเองความรู้สึกของคุณเองว่า อว่างย่งนี้เองนะกําหนดให้ว่างไม่ใช่เราเพราะเอาขจัดตัวเราออกวับหนึ่งก็คือไม่ใช่เราวับหนึ่งถ้ากำจัดไม่ใช่เราได้ น, น, นานๆมันก็คืออากาศาสภาพอากาศายานันนันจายตระฌานก็เกิดอยู่นั่นแหละคุณลองนึกตามด้วยคณเนกเดาๆตามก็ได้สภาพฟังภาษาเหตุผลเนี่ย มันมันว่างต่อเนื่องอยู่ยาวๆก็นั่นแหละในช่วงนั้นแหละคือคุณอากาสานัญญาเจชนะชานทีนี้พอเรารึกรู้ว่าอ๋อวิญญาณมันมีที่จริงโดยโดยโดยความเป็นจริงนะเราลืมตัวเราได้ชั่วครู่แต่จริงๆในสมมุติจริงๆแล้วเรามีเราอยู่ด้วยหรือเปล่าตัวเรายังอยู่ตัวเรายังไม่ได้สลายเป็นปรินิพานยังไม่ได้สลายเป็นอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุยังมีธาตุวิญญาณที่เราอาศัย เป็นเราโดยสมมุติและเป็นวิญญาณอันนั้นจริงอยู่ที่เราถ้ารู้ทุกอย่างพอเรารึกรู้ตัวอีกอันหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นญาปัญญาอาตมาเอามาอธิบายนี่เป็นสิ่งที่อาตมาเกิดเองไม่ได้อ่านมาจากไหนนะเป็นของจริงที่เรารู้อ๋อมาลึกละเอียดตรงนี้เองรู้ตลอดเวลาไม่รู้ความว่างแล้วจะไปรู้อะไรล่ะ รู้อยู่ตลอดเวลาแต่รู้แล้วเราก็ต้อ ง, อ ง, ว, องวิจัยออกเราต้องมีสัญญากำหนดออกกำหนดรู้ว่าความรู้ของคุณเอาไปใช้ได้ทันทีเมื่อคุณถึงเวลานั้นวันนี้ไม่ใช่เราเออมันก็ไม่ใช่เรานะคุณก็จะต้องซับซากคุณทํำบ่อยๆคุณก็จะซับซาก บ, บ่อยๆว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราถ้าคุณไม่ทําเลยมันก็เราอยู่ของโดยที่ไม่ได้เคยเอาออกเลยสักทีมันก็ไม่ได้ออกสักทีไม่ได้วางไม่ได้วางทักทีอะพอร่ากายสามันว่าง คุณทําต่อเนื่องได้นานเท่าใดก็คือว่าเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ระลึกอีกทีหนึ่งโดยความจริงของความเป็นจริงก็คือเรามีวิญญาณเรามีตัวเราอยู่โดยสมมุติโดยจริงเรายังอาศัยอยู่นะเมื่อเรานึกว่าเมื่อชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นหลงติดว่าแม้แต่เฉยนี่ก็เป็นอร่อยเฉยนี่ก็เป็นเราโอ้เราจะต้องอยู่ันที่อากาศานี่แหละไม่เป็นไรไม่เอามันไม่อื่นแล้วไม่เอาอื่นแล้ว ในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาตมาเคยเล่าตัวเองนะบอ ก, บ อ, กอากาศสาโอ้โหมันว่างมันลมันความระลึก ว, ว่าไม่อยากออกจากภพนี้เลยนั่นแหละกูกูที่เป็นอากาศสานะกูที่เป็นอากาศสามันจมอยู่ในภพนั้นก็มันความหมายมันว่ากูไม่อยากออกจากนั่นะก็คือนั่นแหละมันอยู่ในภพนั้น <S <S ฟังภาษาให้ดี ความรู้สึกของเราเกิดเลยนะอาตมายังจําได้เลยนะสัญญาของเราก็ยังจําเวทนาของเราได้เวทนาของเราบอกว่าโอโ้ไม่อาตมาเห็นใจในฝรั่งที่ตามหาตามหายีิคมทะเลคำนามหาเอามันว่างมันไม่จะบอกคนนอ้นมันวีเสดจริงๆนั่นแหละชั่วอารมณ์ที่เราเกิดว่ามแม่เราจะอยู่บนตรงนี้เราไม่ออกไปไหนอะนั่นแหละมันติดอากาสาแล้ว ถ้าเราติดแล้วเราก็ติดไปเนืองๆไปต่อเพ้อตัวว่าเราจริงๆนะั้นเรามีวิญญาณมีาธาตุรู้ที่รู้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อาศัยทั้งหมดถ้าเราโง่เราก็จะอยู่บนตรงนั้นนานๆพอรู้ตัววิญญาณนะรึกรู้ได้วิวญญาณคือาธาตุรวมของเจตสิกและวิญญาณก็คือมีทั้งวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูไม่ใช่มีวิญญาณอยู่ในตัวว่างๆตัวนั้นไม่เห็นอะไรเลยมีติแสงสว่า ง, งลงๆไม่ใช่ วิญญาณจริงๆนั้นนะ่ะมีวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายมีวิญญาณออกมาทั้งหลายทั้งหมดคือไปจมอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันพบแคร บ, บพบเล็กๆพบที่ไม่มีใครเขารู้อะไรกัเราเรามีแต่ตัวมึงของมึงมนะสุขมากอ่สุขจริงๆสุขว่างสุขเบาว่างโลกนี้ไม่มีอะไรทุกเลยไม่มีอะไรที่มัน ลำบากไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรอึดอัดไม่มีอะไรโล่งโปรง่งไม่มีหาที่สุดไม่ได้โล่งโปรง่งหาที่สุดไม่ได้โอ้โหมันโล่งมันเบามันว่างมันอไม่มีน้ําหนักเลยออากาศสายันตามันรู้สึกเงี้ยถ้าเราต่อเนื่องอากาศสาอยู่เงี้ยโดยที่ไม่รู้ความจริงไม่เกิดญาณปัญญาว่าเองไม่ใช่อย่างนี้หรอกขณะนี้เองนะมีรูปนามขันห้า มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอายตนะหกมีตามีหูมีจมูกริ้งกายตอนนั้นไม่มีตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้น่ะมีเดียวมีรู้สึกว่ามันโล่งอย่างเดียวไม่มีไม่เห็นผู้เห็นคนไม่เห็นอะไรไม่รึกไม่ไม่ออกอะไรทั้งนั้นไม่ไม่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นถ้าเราหลงความจริงอย่างนี้หลงสมมติสัจใจอย่างนี้นั่นแหละเราก็จมอยู่ตรงนั้นคุณจะอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนที่ติดนานโง่นานก็ติดอยู่ในนั้นนานเพราะฉะนั้นใครยิ่งเป็นจมอยู่ในนั้นนานยิ่งโง่นานนาเพราะฉะนั้นถ้าได้แวบหนึ่งแล้วออกมานั่นคือภูมิของเราสูงถ้าคนที่ไปจมอยู่ น, น, น, นานๆติด น, น, นานๆคนนั้นภาคเพียงที่จะทำภพให้เกิดต น, นเองก็ทำภพอาการนี้ให้กับตนเองเสร็จแล้วเราก็จะต้องลืมมันให้หมดอยู่มาในภพนั้นนั่นแหละคือเราเข้าไปสู่ภูมินั้นภพนั้น ฟังดีๆนะนี่อธิบายอภิอธรรมที่ที่เอาสภาวะจริงมาอธิบายคุณฟังนะเป็นภาษาคนภาษาไทยไม่ใช่บาลีบาลีมาอธิบายอย่างนี้ไม่ได้บาลีไม่พิสดารอย่างที่อัตมา ก, กำลังพูดภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยมันทุกวันนี้มันมากกว่าภาษาบาลีที่มีแต่เดิมภาษาแต่เดิมเป็นภาษาที่บัญญัติไว้คนคณแค้นแคนแล้วก็ไม่เจริญแล้วตายแล้วด้วยมีแต่จะหมดไปไม่มีใครไปแต่แตงภาษาบาลีต่อขยายอีกแล้ว ภาษาบาลีมีเท่านั้นไม่มีใครไปขยายภาษาบาลีไม่เจริญแล้วหมดงอกงามแล้วแต่ภาษาไทายเนะี่ยยังงอกงามเลยอีกแล้วยังเอาภาษาบาลีมาแถมยดีไม่ดีเอาฝรั่งเอาจีนมาแถมด้ว ย, วยขยายไปเรื่อย ๆ, ๆ มีถามแซวมว่าทําไมพระพุทธเจ้าปฏิญญาพันชานสีพระพุทธเจ้าปฏิญญาพันในชานสีไม่ปฏิญญาพันปฏิญญาพันในความจริงไม่ได้ปฏิญญาพันในภพหลวงอากาศาเป็นภพหลวงชนิดหนึ่งเป็นเป็นภพหลวงชนิดหนึ่งขณะนี้มันกําลังเป็นภพเป็นภูมิยังมีภพอากาศานี้เป็นภพความเป็นจริงนั่นคือธาตุที่อาศัยแล้วก็ทําอะไรปกติ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดบทวิญญาณเกิดวิญญาณก็คือธาตุรู้ธาตุรู้วิญญาณที่เป็นตัวตรัสรู้ก็คือรู้ความจริงพ้นอวิชชามีวิชาเออไม่ใช่หรอกมันต้องมีวิญญาณไม่ใช่ว่ามันต้องมีตัวเรามันต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอายตนะทั้งหไอ้นี่มันอยู่ในภพที่อยู่ไหนก็ไม่รู้มีมึงคนเดียวความจริงมันจะต้องตื่นทั้งหมด ตื่นทางตาตื่นทางหูจมูกริ้นกายทั้งหมดได้รู้อะไรครบพร้อมธาตรู้กับขันห้าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับถ้ารู้เป็นธาตรู้นะถ้าจะบอกทั้งเจตสิกมีธาตรู้สี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่รูปไม่ใช่ธาตรู้รูปเป็นสิ่งอาศัยรูปเป็นธาตุที่ถูกรู้ ธาตุขันห้าขัน 5, ขั น, ขนรูปขันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้นี่ถามมาว่าธาตุรู้กับขันห้าเป็นอันเดียวกันหรือไม่ใช่ในขันห้ามีธาตุสที่เป็นธาตุรู้เป็นอันเดียวกันก็คือธาตุสี่จิตเจตสิกวิญญาณกับเจตสิกสนั่นเดว่าธาตุรู้ส่วนรูปไม่ใช่ในขันห้าขันอีกรูปขันไม่ใช่ธาตุรู้แม้ช่างถามมากันจริงนะนี่เนาะ เวลาทำสัญญินั้นดับธาตรู้หรือครับหรือดับขันห้าดับธาตรู้อสัญญีไม่ได้ไปดับขันห้าดับธาตรู้ดับขันห้าก็เอาไปเผาสิดับขันห้าก็คือมันธาตุดิญยาณไม่ได้ทางานกับร่างกายแล้วเหลือแต่ธาตุดินน้ำาไฟลม หรือแต่รู ป, ปรธาตุดับขันห้าก็คือธาตวิญญาณเวทนาสัญญาสังขนันวิญญาณก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้มันแยกขันห้าขันห้ามันแยกกันแล้วก็เอาธาตุรูปเนี่ยรู ป, ปรธาตุไปเผาไม่ได้ดับอะไรมันโลกมันโปลดทำไมมันซ้อน มันลวงมันซ้อนอ๋อก็มันเป็นพบที่เราไปสร้างขึ้นมาในขณะนั้นนะั่นเราทําจิตของเรานีา่เข้าไปเข้าไปก็เหมือนกับอย่างที่ธรรมกายเขาบอกว่าเขาไปหัตไซ่ไสไซก็เป็นเขาสร้างเขาไม่ได้สร้างอย่างอากาศสานี่เป็นของดูสีสร้างมาแต่เก่าอาจารย์แบบนี้เขาสร้างมาแล้วก็เรียกชานแบบนี้อาไว้เป็นอากาศาส่วนธรรมกายมาสร้างใหม่แล้วว่าบปไซ่เข้าไปไส่หนึ่งไซสองไสามเป็น อะไรเขาเรียกภาษาของเขาเหมือนกันนะว่ามันนี้โสดาภูมิอะไรของเขาสกิทาคามีภูมิก็ไปใสซ้อนก็ไปใสซ้อนก็ซ้อนเขาไปสักนเขไปมีกี่ชั้นเขามีภาษาของเขานะธรรมกายอ่ะหน้าหนังเหมือนเหมือนกันกับรูปประชารูปชาญนี่ก็สร้างและก็ทําสมมุตินั้นเข้าไปสร้างพบหไปขึ้นมาให้แก่ตัวเองเข้าไปชชรเหมือนกับไอใส่เดือนเหมือนกับไอหนูเจาะรูเข้าไปแถวนั้นเลยแล้วเข้าไปอยู่ในทุกนั้นไม่รู้เรื่องเราไม่เห็นไม่อะไรแต่มันไม่ได้เป็นธรรมดาธรรมดาสามัญเปิดโลก ที่มีคนที่มีอายตนะหกแล้วก็มีอะไรเป็นปกติธรรมดาเนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะเมื่อเจาะเข้าไปในนั้นแล้วเมื่อเกิดวิชาขึ้นมาอาการสาแล้วมันจะรู้สึกว่าวิญญาณวิญญาณคือเรามันจะเกิดวิญญาณคือเกิด ค, คือเรามารู้สึกว่าเรานั่นแหะคือตัววิญญาณนันจายตนะว่าเป็นธาตุรู้ว่ า, าอ๋อเรากําลังเสวยภพนี้ภูมินี้เท่านั้นเองถ้าเผื่อว่าเราไม่ติดเราไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นหลงอยู่นาน แม้ความอยากได้นานถ้าไปไม่ชำนาญมันก็จะออกไปเหมือนกันทีนี้ถ้าบอกว่าทำให้ความชำนาญเกิดมากๆ ม, มันก็จะอยู่ได้นานมันกลับไปกลับมานถ้ายังทำไม่ได้ไม่ได้เก่งมันก็จะออกกลับมาสู่สภาพปกติปกติคือจะต้องรู้เต็มท่าตลุ่มน้นากันหน้าแต่ถ้าเราะว่าไม่มันก็จะถ้าไม่อยากออกมันก็จะทำกะปิเก็ฝึกเอาฝึกไม่ง่ายนะ ที่นฝึกไปได้ติดแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปถูกพบที่ตัวเองสร้างเองแล้วก็เข้าไปอยู่ในพบนั่นเองได้นานเท่าไารเท่าไรก็นึกว่าตัวเก่งที่จริงเก่งเพราะไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเก่งเมื่อกับพวกเราเนี่ยเป็นหลงแหมไอ้นี่มันไม่ต้องปรุงขนมอย่างนี้มาให้อร่อยรสอย่างงี้นะ่ะเดี๋ยวเสนอคนนี้เราว่าดีนะนี่รสจะวิเศษนะปรุงขนมรสนี้ออกมาคนก็ติดคนก็หลงตัวเองหลงก่อน ตัวเองเนี่ยหลงขนมอย่างนี้ปรุงขนมวันนี้มาให้คนติดรสนี้สีนี้รูปนี้กลิ่นนี้ติดก่อนเหมือนกันนั่นแหละปรุงขนมมาให้คนหลงตัวเองเนั่นแหละเราหลงก่อนแล้วก็ไปชวนคนอื่นหลงคนก็เลยหลงตามไปทั้งโลกใครหลงก็หลงตามชานี้ก็เหมือนกันกเหมือนปรุงขนมอันนึงเอามาให้มาทําเป็นพบอันหนึ่งเป็นพบอย่างของทางจิตวิญญาณทางจิตทางเจตสิกเนี่ยก็อ้าวนี่ก็ซักจังเลยนะ กำลังอธิบายอยู่นะพอดีกําลังอธิบายเนี่ยมาซักซอนก็เลยเสียจังหวะไปคนที่ทําใหม่ๆทําไม่ค่อยได้เมื่อทําไม่ค่อยได้นี่ก็ยังไม่เก่งเรียกว่าเป็นนักปรุงขนมยังไม่เก่งเขาอยากจะปรุงเก่งเพราะมันหลงว่าขนมนี่ต้องทําขึ้นมาในโลกก็สร้างโลกขึ้นมาอันนึงสร้างพบขึ้นมาอันหนึ่งก็สร้างโลกนี้ใหม่เราได้แล้วเรารู้แล้ไหมปรุงอย่างนี้ได้แล้วทําได้แล้วสร้างอีกทำตัวเองขึ้นไปอีกให้มันชานาญให้มันเป็นจนกระทั่งแคล้วคล่อง ก็ทำได้ปรสร้างภพนี่เขไปให้ตัวอยู่แล้วคนหลงนะี่หลงจริงๆที่อาตมาพูดนี่พูดเพราะรู้แล้วแล่กําลังบอกให้คุณรู้ตัวอย่าไปหลงตามเขาเพราะเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะเข้าพบนั่นก็ยากพอรู้แล้วโอ้ไม่ติดล็อกไอ้นี่มันของลงลง่งๆหลอกๆขนมอย่างนี้ไปติดมันมาทำไมคุณรู้ตัวถ้าคุณไม่รู้นะคุณจะทำได้ง่าย คนที่ไปนั่งเข้าชาอย่างนี้เห็นลูกแกวมันไม่ค่อยเห็นมันคงจะได้ถูกสอนมามั่งแล้วในจิตลึกๆมันเคยได้รับบอกมาแล้วเคยมีนะอาจารย์เคยบอกมาแต่สมชาติที่แล้วสี่ชาติที่แล้วมันยังเหลืออยู่มันก็เลยไม่ค่อยเชื่องง่ายๆมันก็เลยเข้ายากไปพยายามจะเข้ายังไงมันก็เข้าไม่ได้เลยเพราะมันรู้อยู่ว่าโถไอ้โง่เข้าไปงีมันเข้าไปที่หลอกเพราะคนที่เข้าไม่ได้นั่นนะ ที่จริงน่ยมันเห้งทีนี้ไอ้คนที่มันหลงมาเตรียมตัวจะหลงอยู่แล้วมันหลงมาตั้งนานแล้วตามมาหามาตั้งหลายชาติแล้วไม่ได้แม้ชาตินี้มาถึงทําจนได้พ้ได้ยิ่งได้เร็วตัวอะไรก็แสดงว่าเราเคยหลงเข้าไปได้แล้วด้วยก็ได้เร็วเมื่อได้เร็วคนนั้นก็คือคนพบนี้แหละคนโลกนี้่โลกที่ถูกลวงไว้เนี่ยโลกเนี้ถูกลวงไว้เนี่ยนี่นสอนอย่างนี้พวนะกคุณภูมิก็ไม่ค่อยจะได้ทําได้ยาก มันย้อนกันอยู่อย่างเงี้ยพราะสอนวก็ทําได้ยากไม่ต้องไปกลัวเข้าไปในโลกลวงนี่ดูมั่งนถ้ามันจมไปอัตมาจะลากออกมาเองที่แรกอัตมาตามเข้าไปได้เป็นลากออกมาเองจะต้องห่วง อ, ะอ่ะฮะไม่ยอไมไ ม, ยอไม่ลากเลยก็ต้องปล่อยไปที่ <c oughs> ก็เล่นไม่ยอมไม่ลากนเนี่ยก็จะเมื่อจะไปติดก็เจ้าโลกโลกนั้นแล้วนี่ เจ้าพบเจ้าภูมินั่นเนี่ยเป็นหลงเขาแล้วเป็นเป็นบริวารเขาแล้วก็ต้องไปอยู่กับเขาถ้าจะออกมาอยู่โล ก, กุตรภพโล ก, กุตรภูมิก็คอยออกมาถ้าไม่ออกมาก็อยู่ไปเลยลืมโล ก, กุตรภพไปเลยก็อยู่ในภพนั่นแหละนี่นะมันละเอียดอย่างนี้นะวันนี้นี่อธิบายเรื่องพบเรื่องภูมิเนี่ยอาตมายังไม่เคยอธิบายอย่างนี้เลยนะวันนี้นี่เจาะชอนชัยลงไปตั้งใจจะ ซอยให้ละเอียดในเรื่องของชาในเรื่องของพบในเรื่องของสมถะในเรื่องของสภาพที่เข้าไปอยู่ในภวังในอะไรพวกนี้ให้ฟัง hmm. เมื่อเรารู้ตัวเป็นวิญญาณจารจ์ยตนะความยังเข้าใจผิดอยู่เมื่อมันรู้ตัวแล้วมันก็รู้สึกตัวเราขึ้นมาแล้วเราบอกโอ้เสร็จแล้วมันจะออกไม่ใช่มัน <S <S <iki word S 2> จะออกมันทนมันมันมันมันจะอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นานเพราะเรายังไม่ช่ำชองมันจะออกมามันก็ไม่อยากออก มันก็จะกลับเข้าไปกลับเข้ามาอยู่ระหว่างอากาศาวิญญาอาการสาวิญญาภาคเพลก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ความเข้าใจผิดของคนที่เข้าใจผิดมาแบบชาหรือสีเนี่ยเข้าใจว่าอากิจจัญญายตนะคือสภาพที่บอกว่าเอ๊มีความรับรู้อยู่งี้เป็นวิญญาณมันก็มีธาตุรู้พราะวิญญาณรู้พับในเจตสิกสามก็ตามมามันก็มีเวทนาสัญญาความจําได้ก็มีมันก็เอ๊เราก็คือเรา เรามีความหลังเรามีอดีตเรามีนู่นมีนี่อะไรอยู่ในสัญญามันมีหมดมันก็บอกม่ามันยังไม่ดับลองอย่างงี้มันยังคือคนเข้าใจผิดนี่ก็คือจะดับแม้แต่อดีตความจําหรือมันยังรับรู้อะไรอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ดับสนิทเพราะความเข้าใจผิดน่ะก็เลยว่าต้องดับสัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยจะอธิบายฟังเนี่ว่าโอ้สัญญาเวทเจติโรธหรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องดับสัญญาถ้ายังรับรู้อยู่ยังไม่ได้ต้องไม่รู้อะไรเลยก็จะดับ นี่เข้าใจผิดอักินจัญญาจนะนะนี่พูดชานที่เป็นแบบฤาษีก่อนเขาก็จะดับทีนี้ไม่รับรู้แล้วอากาศาแสงสว่างก็ไม่เอาไม่รับรู้อะไรแล้วถ้ารับรู้แสงสว่างอย่างนี้มันก็จะมีวิญญาณรู้อยู่มันธาตุไม่ได้ดับธาตุไม่ได้ดับสัญญาไม่ได้ดับความรู้ไม่ได้ดับอะไรความรู้สึกจะต้องดับความรู้สึกเลยดับหมดทั้งเวทนาความรู้สึกกาหนดก็ไม่กําหนดอะไรไม่รู้อะไรว่างหมดดับเวทนาดับสัญญานั่นเองดับไม่กําหนดรู้ไม่รู้สึกไม่อะไรอะไรทั้งนั้น ดับนิดนึงน้อยนึงไม่รู้ตัวก็เข้าสู่สภาพอีกอันนึงเลยท่านนี้นี่แหละอากิจัญญาจตนะที่เขาหมายอาลานาบทอุทกกระดาบทอะไรเล่นพวกนี้เสร็จแล้วถ้าดับไปเถินคุณจะดับไปให้ยังไงมันก็จะต้องออกมาเพราะความจรงิงคุณจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความตื่นธรรมดาจะดับยังไงวัดต้องพากเพียรที่จะกดข่มดับ ด, บ ด, บดบัต้องเพียรอยู่ตลอดชาติเพราะฉะนั้นพวกฤาษีนี่จะนั่งสะกดมันตลอดชาติไม่มีแล้ว ไม่มีเสร็จทําได้ชํานาญก็ชํานาญแต่ต้องทําเอานะไม่ทําเอาไม่ได้ก็ดับดับแล้วมันก็จะต้องออกมาลำลำเรืองเรืองนี่วาสัญญาณนาะสัญญาดับไปไปได้ก็ออกมาลำเรื่องดับเข้าไปไหมดับเข้าไปออกมาลำเรืองดับเข้าไปไหมดูอย่างนั้นแหละหมุนอยู่ตรงนั้นเนี่หมุนอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ก็เลยเถียงกันสิดับว่ดสูงเฮ้ยมันสูงไม่ได้มันต้องออกมา อุทกกราษบกราษนะบ ก, ะลาาบกะเลยตกเถียงกัน อ, อุท ก, กเอาอันหนึง่งอาลานก็เอาอันนึงสูงอยู่อันหนึง่งวันนั้นใครบอกอุทกเอาอะไรนะอาลานเอาอะไรอ า, าอากินเนะอาลานอาดินอนอาเอาอาใช่มอาีกเอาใช้ใช้กนิดนึงว่าอาเอาอาอาลานนี่เอาอากิน อุทกเลยไปเอาเนวสัญญาก็เทียงกันต่างคนต่างสูงที่แท้มันก็ไอ้วนอยู่ตรงนั้นน่ะมันไปไหนไม่ได้มันอยู่ในวงที่แคบที่สุดแล้วอยู่ในพวกร่าจิตวงที่แคบที่สุดแล้วอย่างนตรงนั้นดับปรเดี๋ยวมันก็ออกออกก็ดับมันใหม่วะยังไม่สูงนี่สูงมันต้องดับอ้ในก็บอกก็เถิยดับยังไงมันก็ต้องมารู้มันก็ลำลำเรืงเงินแหละเอเพราะฉะนั้นอยู่ลำลำเลืองไม่ต้องไปดับอะไรมันมากมันก็อยู่เงินน่ะ ลำลำเรืองคนนี้ก็เลยเอาอันนี้ลําลำเรืองลำลำเรืองอย่านั้นในวาสัญญาณาสัญญาอีกคนนึงก็เอาดับให้ได้ถ้าไม่ดับไม่สูงอยู่แค่นั้นเองนี่เรียกว่าพบของฤาษีส่วนของพุทธนั้นอากาศาก็รู้ว่าว่างต้องรู้ความว่างจากสังขารว่างจากอากุศลว่างจากทุจริตว่างจากเหตุที่เป็นสมุทยัย แล้ววิญญาณก็บริสุทธิ์วิญญาณก็สะอาดวิญญาณก็คือธาตุรู้ที่มีเจตสิกสเป็นเจตสิกใหญ่แต่เจตสิกหลัก ต, ต, ต้งตั้งประมาณเต็มที่อากินก็คือสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบซ้อนเชิงลงไปอีกนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่ให้มีไม่ให้จอนไม่ให้หลงไม่ให้เหลือทําให้ไม่มีอย่างต้องรู้ต้องมียานทัศนวิเศษรู้สัญญาเวทยิตตัง นิโรธังโหติย่อมเกิดการเข้าเคลียอารมณ์ทาการตรวจสอบคนให้สอกแสวสอกอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในสภาวะเป็นปนอย่างพุทธเนี่ยลืมตาหลับไม่ต้องหลับตาลืมตาก็หลับตาก็ชั่งหลับตาก็ด้วยตลอดเวลานี่มีกระทบสัมผัสทางระวันทั้งหกเนี่ยรู้หมดเลยเกิดเมื่อไรมีฌานที่มีมุทุภูตธาต พุทธ ภ, ภูเตกรรมนเยที่เตเนชัปปเตอย่างแข็งแรงมั่นคงจะทีเผลอทีไม่เผลอตั้งใจไม่ตั้งใจเมื่อนันเมื่อนีอะไรจิตจมุทุภูตธาตุจะแววไว้เร็ววินิจฉัยตรวจสอบแล้วก็ปรับก็ดัดก็กลางก็เอาออกได้อย่างลืมตาโรงโปรงนจกักขุมมาปรินิพพโพติเป็นความดับสนิทสะอาดบริสุทธ อย่างจริงจริงเลยใช่นะคือที่ถามมาว่าความจริงคนติดอากาศสาัญจายตนะมากที่สุดใช่ไหมใช่ติดอากาศสามากที่สุดเพราะมันว่ามันโล่งนะแต่เสร็จแล้วพอมารู้สึกเป็นวิญญาณวิญญาณมันก็จะรู้สึกตัวแล้วมันก็จะมีอดีตมีสัญญามีอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็เป็นทุกข์มันไม่ลืมทุกข์มันไม่รู้หมันมันไม่หมดหรอกทุกข์มันก็เลย ถ้ามันรับรู้อยู่มันโลภมันว่ามันก็จะมาหาอากาสาก็จะมาหาวิญจาณวิญญาณันจาเพราะฉะั้นมันจะต้องกลับไปดับให้หมดเขาก็ถึงไปเอาที่อกินจัญญากับเมวัยสัญญาว่ามันทนทุกข์ถ้ามารับรู้อยู่มันไม่ทุกข์หรอกแต่ในรถว่างรถอร่อยนะมันอากาสาแต่ดับแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่มันไม่มีทุกข์มันมันมันมันมันลืมทุกข์ไปนะมันลืมทุกข์ไปอ่า เหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในรูปอยู่ในอะไรเนี่ยเป็นรูปเป็นอะไรเนี่ยถ้าแสงสว่างสองมันก็เห็นรูปมันมีอยู่นั่นแหะมีอดีตมีโน่นมีนี่มีอดีตมีปัจจุบันมีอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะโดยเฉพาะมันมีอดีตมันก็คือทุกข์ที่เคยผ่านและมันก็ยังมีโน่นโน่นนี่นมันหลอนอยู่เพราะเราเราไม่ได้ระงับกิเลสฤกิเลสไม่มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยเอาสีดํามาทาเลยดีกว่าสีดําทารูปหมดเลย มันก็ไม่เห็นรูปอะไรเลยมันก็เหมือนดับอดีตดับอะไรทั้ง้ไปหมดวิญญาณมันก็คือยังมีาธาตุสัญญายังมีาธาตุอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่สังขารก็ยังระ ง, งับไม่ได้เลยอ่าบรู้ประเดี๋ยวก็มีเจตสิกก็ทํางานเองแหละปรุงนี่นทุกไปอ่าเพราะว่าไม่ได้ทําเต็มที่ไม่ได้ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้อยู่เหนือสังขารอ่อยู่เหนือสังขานี่พระพุทธเจ้าอยู่เหนือสังขานเราจะปรุงก็เรามีฤทธิ์มีสิทธิ์ที่จะปรุงสังขารไม่ใช่เพื่อตัว สังขารไม่ได้เป็นธาตุะจะปรุงโดยเฉพาะหม ด, หมดตัวหมดตนไม่ได้เผื่อตัวอะไรจริงๆแล้วก็สังขารเพื่อผู้อื่นก็มีคุณค่าประโยชน์อย่างนั้นจริงๆนะสุดท้ายแล้วเมื่อเราทําอย่างนี้จริงๆจริงๆจๆมาจนกระทั่งเนวสัญญาณนาะสัญญาคือความไม่รู้ไม่ใช่ต้องให้รู้อย่างเป็นญาณทัศนวิเศษรู้รอบรู้ทะลุ ร, รู้แจ้งแทงทะลุรอบ สัญญาเวทยิตะนิโรธจึงดับอวิชชาสนิทสัญญากําหนดรู้อวิชชาแล้วก็ไม่เหลืออวิชชาเลยอวิชชาสังโยชน์ก็ดับอวิชชาสวะก็หมดเกลี้ยงจริงๆเป็นผู้ถึงซึ่งวิชาสมบูรณ์เรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธอวิชชานิโรธอาสวะ ไม่ใช่นิโรธสัญญาไม่ใช่นิโรธคือด้วยดับเอาสัญญาไม่ใช่เป็นดับเอาเวทนาไม่ใช่พระอระหันต์ที่หมดกิเลสนิโรธสมบูรณ์และเป็นสัพปาฏิเสธนิพพานถึงสภาพพบนิพพานภูมินิพพานแล้วสมบูรณ์เป็นพระอระหันต์จริงๆแล้วลืมตาอยู่ทุกทวารสัญญามีเวทนามีมีสัญญาเวทนาสังขารมีขันห้า รู้ทุกข์รู้สุขทุกทุกที่เลี่ยงไม่ได้นี่นี่เอนิพพัททุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวเป็นทุกข์หมาในคนนี้ไม่ออกเทิยนสวมมันมัน ไ, ไหลมันน้อยคนมันเยอะรออออือืมันจะไหลแล้วนะเอาเถอะพระอหรหันไม่ทุกข์ให้มันรู้กันไปเถอะจะไหลเลยนะนิพพัทธทุกทุกที่เลี่ยงไม่ได้มันยังมีขันห้า สัญญารู้กำหนดรู้เวทนารู้สึกทุกข์แต่ก็ไม่อึดอัดขัดเคืองไม่สังขารเอาตัวตนเอาเรื่องราวอะไรมาอึดอัดขัดเคืองตัวเองมากมายนยืรอกก็รู้กับความเป็นจริงตามที่มันมีสภาพอย่างนี้เป็นต้นทุกข์เพราะว่าจะต้องมานั่งสอนพวกคุณนี่อาหารปรเิเยติทุกข์ทุกข์เพราะว่าสแสวงหาอัตมาก็สแสวงหาโพธิญาณแสวงหาภพภูมิที่สูง กอมาทำวันนี้ให้เกิดความช่าชองเป็นครูจะได้ไปเป็นครูใหญ่ในอนาคตมันก็ตั้งภูมิตั้งพบของเราเหมือนกันไม่ได้หลงอะไรเลยใครจะบอกว่านี่ตั้งภูมิตั้งพบอยไปเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ทำไมใช่ภูมิพบไปเป็นพุทธเจ้าคืออะไรเรียนรู้ความจริงเราไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนเสียสละ ก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าอันสระนี่เหนื่อยไปเหนื่อยอย่ามาพูดสมน้ําหน้าอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าผูดด้นั้นมีสิทธิ์จะไม่ตอบภพตอบภูมิก็มีสิทธิ์ทําได้จริงนอะใครจะมาว่าไม่จริงก็ฉั่งเขาก็ได้จริงคนระัมันขี้โม่เนี่ยมันยังอยากอยู่แต่อยากต่างอยากเนะ อยากเพื่อผู้อื่นมันไม่ได้อยากเพื่อตัวเราเองถ้าเพื่อตัวเราเองกิเลส ข, ของเราเท่านั้นเท่านั้นตอนนั้ น, น, น, น, น, น, นเราเรียนรู้ให้จบครบทลักกั น, กนอรูปฌานของพุทธเป็นผลจะสังเกตได้อย่างไรว่าได้อรูปฌานถ้าปฏิบัติธรรมแบบมรรคองค์8จะมีอาการอย่างไรช่วงไหนก็มีสภาพที่จรงิงถ้าคืนตอบปัญหาอันนี้ปัตนี้มั น, มนไม่ไปได้ไปไหนรอดอันนี้เลยไม่ได้พานั่งอีกแล้ววันนี้ถ้าจะตอบปัญหานี้ไปไม่รอดเอาใส่ไว้ในนี้ ติดตามฟังอย่ารีบกลับนะกลับไม่ได้เอาไว้ตอบปัญหาเมื่อตอนตอบปัญหามันละเอียดพวกนี้ยัางนีงอธิบายน้อยก็ไม่รู้เรื่องมันต้องอธิบายเยอะนะเมันจะพึ่งเอาอันนี้ก่อนไม่ต่อมาขัดจังหวะอยู่เนี่ยมันไม่ต่ อ, ม, อ, อ, ม, ม, ตอมันเมื่อพูดถึงไหนแล้วล่ะ <c oughs> ฮะสัญญาตอนนี้ก็เป็นคดีนะฮ ะ, ฮะสัญญาไปที่จันทิโรนสิ อธิบายโตอะไรแล้ววะก็ถูกแล้วอธิบายไปแล้วอันนั้นนะไม่ใช่เอออรรหันถ้าผู้ที่เป็นอรหันแล้วไม่ต้องต่อจะมีพบมีภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าก็มีภบมีภูมิที่เรารู้ภพภูมิของที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเป็นอะไรอ่ะ ก็ไปแค่เพื่อตนยังยังมาเพื่อตนอีกแล้วเมื่อไใดมันจะหมดตนตทั้ทีหรอก็นันโเพื่อตนเพื่อตนอยู่นั่นแหละแล้วมันจริงอย่างไรแล้วว่าเราทําเพื่อเขาตัวเราเองเป็นอาหารรปริยัติทุกๆแสวงหาพบาภูมิที่สูงขึ้นภูมิของภพพระอริยะพระโพธิสัตว์อะไรก็ว่ากันไปแต่ภูมิที่เรายังสแสวงหาของตนเองและแค่กามแค่มานะอัตตาก็ยังไม่รู้ แล้วก็ทํายังไม่ได้แล้วจะไปพบภูมิเพื่อเขาเพื่อเขาเพื่อเขาเมื่อกี้แก้มันจะไปคาอยู่ยังไงอ่ะคือแม่อตมาพูดแล้วก็พงนี้เนี่ยไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เรียนก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราบอกเขาเรียนยังไม่ถึงก็งไม่ยังมีสภาวะเขาต้องเถียงเถียงจริงๆถ้าคนที่ถึงภูมิภูมินั้นถึงจริงๆแล้วเขาไม่เถียงหรอก เพราะมันเข้าใจกันขนาดพวกคุณเนี่ยยังไม่ถึงขนาดไหนแต่พอมีพบมีภูมิพอที่จะลําลองจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่พบน้อยพบอยากพอได้เนี่ยคุกก็ยังพอลําลองพอรู้ว่าเออมันสอดคล้องกันแต่มันใหญ่มันโตต่างกันเท่านั้นเองแต่ทางโน้นแล้วมันไม่มีไอ้พวกนี้เปรียบเลยเขาก็รู้อยู่ในโลกเดียวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาคิดไม่ออกคิดไม่ออกมันเป็นยังไงเขาคิดไม่ออกหรอกนะซึ่งเราก็เข้าใจว่าอ่ะเขาเข้าใจไม่ได้นะเรื่องพบภูมิของ ผวังเป็นฤาษีนะมันก็จะเป็นอย่างที่อาตมาว่าซึ่งพวกคุณก็ฟังแล้วก็ยังทําไม่ถึงมันก็ไม่ถึงมันว่างมันโล่งแล้วมันก็รู้สึกตัวแล้วก็ต้องเพียรให้อยู่ในนั้นถ้าเพียรอยู่ในนั้นได้คุณก็อยู่ในนั้นเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นจะมาดับเพราะถ้าคุณหลงอากาสาก็หลงสภาพที่มีแสงสว่างจนกว่าคุณจะมาคิดตามที่เขาพูดว่ายังมีความรู้สึกยังมีแสงสว่างยังมีเวทนาสัญญาอะไรอยู่นี่ยังไม่สูง งต้องดับหมดเลยอกินจัญญาจตนะนั่นเป็นเรื่องของฌานฤษีเขาก็จะมานั่งหัดดับทีนี้วางลงก็ไม่เอาจะดับทำให้นิวรณ์ไม่มีได้แล้วก็ผ่านไปแต่ยังมาเล่นกับอรูปฌานจะต้องเอาสว่างเอาดับเลยไม่รู้สึกเลยนี่ดับเลยเถิดไปไม่รู้เถิดขนาดไหนของพระพุทธเจ้านั้นอยู่แค่คันเอานิวร์หมดเท่านั้นเอานิว์หมดเท่านั้น เพราะจะมานั่งดับสัญญาดับเวทนาอีกนั้นออกนอกเขตเทศบาลไปแล้วไม่จะเทศบาลพุทธแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่วุ่นวายอะไรหรอกกระวัรูปประชานน่ะถ้าจะเอามามีความหมายอธิบายก็คืออย่างที่อาตมาอธิบายแล้วอากาศสาก็คือว่างจากกิเลสอวิญญาณัญจา ก, ก็คือธาตวิญญาณบริสุทธิ์ อากินจัญญาก็คือตรวจสอบให้ละเอียดละ อ, อเนวสัญญาก็คือธาตรู้อีกทีหนึ่งอากินจัญญา ย, ยตนะก็คือจิตจริงๆเนี่ยจะต้องไม่ให้มีเศษเหลือทุลีละอ อ, อะไรทั้งนั้นเนวัตัญญานาสัญญาก็คือไม่ใช่ใจะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ต้องให้รู้เป็นตัวสมบูรณ์เป็นตัวยานทัศนวิเศษอันยิ่งใหญ่พ้นความไม่รู้สมบูรณ์จริงๆ ถ้าจะเอาความหมายนี้มาอธิบายก็อธิบายอย่างนี้จริงๆแล้วทำให้ได้ตามนี้เพราะฉะนั้นรูปปัจชานก็คือพ้นนิวร์ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงอธิบายอยู่แค่ฌานสี่เป็นตัวปฏิบัติตัวนี้เป็นตัวเสริมจริงๆก็เอาไปย้อนเข้าไปหาฌานสีก็ได้เหมือนกันเข้าไปหาฌานสี่ก็ได้เหมือนกันพยายามทำรายละเอียดของมันมีวิตกวิจารมีต ก, กะวิตกะสังกะปะ อปปนาพยปนาเจตโสอภินิโรปนาอวจีสังคาราก็คือสังกปะนั้นอย่าให้มีมิจฉาจนกระทั่งแม้แต่เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านทีเป็นมิจฉาสังกปะให้ละเอียดจริงๆเลยวาจาก็ให้ละเอียดลงไปนะไปคำพูดแล้วก็ตามกรรมการงานก็ตามอย่าให้ไปเบียดเบียนอะไรหมดนะเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเป็นการฆ่านะเป็นการมีโทสะโลภะนะ ปานาก็โลโทสะอธินาก็โลภะการเมสุมิชาจารย์ก็ราคะไม่มีอย่างกล้งจริงๆได้เพราะฉะนั้นทำการงานอยู่มีกรรมัญญาอยู่มีการงานอยู่ในโลกมีบทบาทมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นตัวพิสูจน์ว่าเราทำการงานสร้างสรรค์มีชีวิตอยู่ตาหูจมูกดิ้นกายใจ มันจะมีลาบมันจะมียศมันจะมีสันเสริญมันจะมีอะไรอะไรมาอย่างไรอย่างไรรู้เท่าทันอยู่เหนือโลกียะอยู่เหนือจิตนี่แหละมันจะไปสัมพันธ์มันจะไปเกี่ยวเกาะเอากับโลกกระทั่มไปเกี่ยวเกาะเอากับลาบเกเกาะเอากับยศมีหยาบมีกลางมีละเอียดมีซ่อนเชิงมันหลอกตัวเองเก่งนะกิเลสเนี่ยกิเลสมันเป็นเจ้าเรือนอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ทําให้เราหลอกตัวเอง ก็เราก็ยังอภิชาจนตัวเรารู้ตัวเองและก็ทําให้บริสุทธิ์ให้ซื่อตรงบริสุทธิ์ซื่อตรงบริสุทธิ์ซื่อตรงจนกระทั่งเราไม่ได้ทําอะไรเป็นเชิงชั้นเป็นตัวหลอกตัวเหลิอกอะไรใครเลยมีแต่ความซื่อตรงมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่ได้ทําเพื่อลาาแต่ล่าก็ต้องมีไม่ได้ทําเพื่อยศยศก็มีอาตมานี่เป็นประธานชาวอโศกเจ้นะยศใจยิ่งนะ แล้วเราหลงติดว่าเราเป็นหลงว่าเราเองนี่มันมีอยู่ในจิตจริงก็ต้องอานให้ละเอย อ, อยิ่งเล็กยิ่งน้อยยิ่งเหลือเล็กเหลือน้อยทุลีละอองใครไม่รู้กับเราง่ายๆหรอกแต่เราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองเราต้องรู้ความจริงพวกนี้ของตนเองเราล้างละเละิกมันเป็นหน้าที่ของเราที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของเราไม่ใช่คนอื่นความจริงคือความจริง ถ้าเราไปหลบไปเลียกไปหลอกไปอยู่มันก็หลอกก็คือหลอกความจริงยังไม่จริงแล้วยังแถมไปหลอกคนอื่นอีกแล้วมันมันก็บาปสองบาปแล้วความจริงเราก็ยังไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์และแถมไปหลอกคนอื่นว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์อีกชั่วหนักเข้าไปอีกแล้วคุณจะมาชั่วหรือคุณจะมาดีอะ น, น, นั่นน่ะมันก็ความจริงอย่างนี้เพราะงั้นสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเรานะเราต้องบริสุทธิ์กับตัวเราเองนี่อัดยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องลาบยศสันเริญโลกียสุขเรื่องรูปรดกินเสียงสัมผัสเรื่องอัศาธะาใดๆในโลกียะทั้งหมดเราก็ทําไปจริงๆแหะของเรารับผิดชอบของเราให้ดีเราไม่ต้องไปอ้าขาผวาปีกอะไรให้มันมากมันหมายแต่ในสภาพที่เราจะเกื้อกูลกันตามควรตามอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมมันก็เกิด หมู่กลุ่มเกิดคณะเกิดมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นทั้งหมดของศาสนาถ้าบอกว่าศาสนาพุทธก็ทั้งสิ้นทั้งหมดของศาสนาพุทธนี่ก็มีมิตรดีนะมีมิตรดัดมั่งนะมิตร ด, ดีบางมิตรก็ดัดดัดเราบ้างก็ทำไป มันก็มีมิตรดีจริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยคนดีก็เป็นมิตรดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันกิเลสมันยังมีซ่อนมีอะไรอยู่มันก็มีไปก็ต้องรู้ตัวเองให้ได้แล้วพยายามลดละจริงๆองค์ประกอบของมิตรดีที่อยู่ร่วมกันที่มีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญาตานะมีสิ่งที่มันตรงกันเปรีทิศทางเดียวกันเป็นคลองเดียวกันแต่มันไม่เท่ากันเป๊ะหมดเลยหรอกเสมอกันหวนไม่มี โซดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอารหันเสมออรหรันแม้คําว่าเสมอมันก็ยังมีสิ่งที่ไม่เสมออย่างที่เคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านกุศโลนี่มาเตือนอีกแล้วอย่าไปพูดอรหันขี้เป้พูดจะอาตมาจะเทียบทีไรก็บอกอรหันขี้เป๊กับอรหันตัสมาสัพพุตเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อทีให้กระจ่างชัดนะเขาจะไปว่าเขาจะห า, หาไปรบหลูเพราะอารหรัน แล้วใครเขาได้ยินบอกนี่ผมจะลบนะเนี่ยอพอถ้าพูดทีลรก็ไปว่าพระอรหันต์ขี่เปรพระอรหันต์ขี่หมาอะไรงนี้เป็นต้นขี่กระโลโทอะไรอ่งี้เป็นต้นยังไปดูถูกพระอรหันต์เขานะเขาฟังแล้วเขาแสลงะจะบอกว่าพระอรหันต์ที่ท่านไม่ฐานนะไม่สูงก็จริงแต่วิริลาโวหารศิละปะที่พูเนี่ยพระคุณฟังก็เข้าใจเพราะไม่ถือ แต่ถ้าเขาถือว่าอรหันตั้งแต่ตัวมันจะเป็นอรหันต์นั่หน่อยนะผมบอกอรหันต์คีเปยนั่นนะโกรธยังกะตัวเองเป็นอรหันต์นี่นั่นอะยิ่งไม่ใช่อรหันต์ขนาดพวกคุณไม่ใช่อรหันต์ที่คุณมีภูมิธรรมดาเป็นภูมิสูงขึ้นมาเป็นอริยะหรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันเข้าใจมันก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรเพราะนั้นเองว่าติดยึดถึงขนาดภาษาบัญญัติโถใครไปแตะบัญญัติว่าอรหันต์คีเปยหน่อยก็ไม่ได้เพราะอรหันต์ก็ไม่เท่ากัน แม้อรหันที่บอกว่าอารหันอยู่ในภูมิไล่เลียงกันมันก็ไม่เท่ากันไม่มีอะไรเท่ากันบอกแล้วว่าในมหาจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเท่ากันมีสิ่งที่เท่ากันอยู่อย่างเดียวคือความไม่มีกิเลสอรหัน ร, ระดับเนี่จะว่าอะไรอีกล่ะกับอรหันต์สมารบริจาร์ก็เท่ากันตรงที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันเท่านั้นแหละแต่คุณภาพของอรหันต่างกันมากมีประสิทธิภาพ มีอภิญญามีปฏิสัมพิทายานอย่างขพุญเจ้าต้องเรียกเวสารัชญานพ ล, พลยานตถาคตญาณอะไรขบุญเจ้านี่โอ้ยเหนือชั้นกว่าพระอรหันตธรรมดาเยอะมันก็ไม่เท่ากันอยู่ในส่วนที่ไม่เท่ากันส่วนที่ไม่เท่ากันก็ต้องรู้ว่าอะไรไม่เท่ากันและอะไรเท่ากันเพราะฉะนั้นคําว่าเสมอสมาสนศีลเท่ากันหข้อเท่ากันแต่ก็ไม่เท่ากัน โดยกว้างๆโดยใหญ่ๆรวมๆเท่ากันแต่โดยละเอียดทำได้แล้วยังยังสมาธานอยู่เท่านั้นยังไม่เป็นผลสาเร็จหรือแม้สาเร็จแล้วก็ยังมีหยาบกลางละเอียดเท่ากันหรือเปล่าถึงเท่ากันแล้วก็ยังเป็นคนที่มีช่วระยะปัจจุบันนี้คุณมีอุสาหะวิยะที่จะอทิษีกว่านี้ไม่ไม่เท่ากันแล้ววินาทีนี้ขณะนี้ คนนี้อัิกว่าคนนี้คนนี้อัฐิคนคนนี้คุณเอาอะไรไปวัดคนนี้ตั้งใจอธิกว่าคนนี้คนนี้ตั้งอธิกว่าคนนี้คุณเอาอะไรไปวัดไปเสมอกันตรงไหนเท่ากันเป๊ะตรงไหนเมื่อไรกี่วินาทีกี่เซนหนึ่งอของวินาที มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายง่ายใช่ไหมมันไม่ใช่เป็เรื่องที่มันจะเป๊ะเป๊ะแต่เรามีคันลองมีโครงสร้างมีระบบมีแบบมีอะไรอะไรที่จะทเทียบจะวัดที่จะเป็นไปในแ น, แนวเดียวกันนี่าชาวอาโศกก็มีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามั ญ, ญาตาเสมอไปทําไปจริงๆให้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าไปนั่งติดยึดเป็นมานะโสดาเสมอโซด า, ซดาแล้วก็จะติดอยู่แค่โซดาติดแป้นอยู่นี่เลยคัดออกจากบัญชีนะ เียให้ไปอยู่กับบริษัทบุบญรอดบวเบลวอรี่นะรูปะ้ป่าบริษัทบุญรอดบวเบลวอรี่นี่ทำอะไรขายทำโซดาทำโซดากลาสิงขายบริษัทอื่นก็มีแต่บริษัทนี้เขาดังเขาใหญ่ก็เลยเอาบริษัท น, นี่โฆษณาให้บุญรอดหน่อย ทำโซดาเดี๋ยวให้ไปสู่กบบระบวนการโซดาโน่เลยโซดาก็ติดตั้นอยู่โซดาเนี่ยไปอยู่กับโซดากันแล้วกันอ่าเราอาจมาอธิบายอะไรต่ออะไนี่พยายามอธิบายไม่ให้เร็วนักแล้วก็ให้มันไม่หนักนักมีบันเทิงมีโน่มี น, น, มนี่มีอุทาหรณ์เปรียบเทียบอะไรอะไให้ฟังนะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่พาซื้อเป็นระโหคตะเป็นเรื่องลึกซึง้งเป็นเรื่องที่มันลับยากที่จะรู้ แล้วก็ไม่ใช่ภาษาภาซื้อไม่ใช่เรื่องตื้นบุคลาธิฐานหรือธรรมธิฐานก็มีในย่าที่ซับซอ้อนนึกซึ้งต่างกันมากนะมันภาษาอาตมาพยายามที่จะเอาภาษาที่จะมาชี้มายืนยันให้ฟังให้ชัดขึ้นมาอย่างน่อนอย่างนี้เนี่ยแม้แต่อาตมาไปแปลอะไรอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในวันนี้เนี่ยแปลวาจาว่าเป็นเรื่องราวนี่เขาก็ต้องไปนั่งคิดคทำไมไปแปลว่าเรื่องราว ว่าจามเรื่องราวเขาแปลแต่คําพูดถ้อยคําอะไรธรรมารขอยืนยันว่าเป็นเรื่องราวเป็นนัยยะแล้วก็อัศสาสะปัสสะสะธรรมารพยาวอธิบายไม่ใช่เป็นดับอัศสาสะปัสสะสะจริงๆหรอกจิตของธาตุของภพของภูมิมันเป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะมันไม่มีตอนนี้ไม่เกี่ยวมันไม่มีมันไม่เกี่ยวแล้วมันก็จะต้องเกี่ยวจนในไอน้นั้นให้คนเข้มข้นเข้าไป เพราะตอนน่าจะต้องละเอียดละอ อ, อะไรต่างๆนานาปุณณีจะตุทชฌานเป็นฌานที่จะต้องละเอียดอยู่ในภพในภบเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่ในจริงๆเพราะฉะนั้นในมันจะมาเอี่ยวกายองค์ประชุมนอกไม่ได้กายคือองค์ประชุมมันจะมาเกี่ยวกับความประชุมที่หยาบไม่ได้มันจะต้น อ, อยู่ในความประชุมที่ละเอียดในละเอียดฟังภาษาออกชัดไหม เพราะฉะนั้นในจตุตระชานะั้นคือชานที่จะต้องอยู่ในพบที่ละเอียดอย่างนั้นจตุตระชานและเป็นพบที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความประชุมที่หยาบอย่างนั้นอสัพสะาัสสคือกายต้องอ่านพระตไตรปิฎกหลายๆหมวดแล้วก็มันถึงหลายหลาสูตรแล้วถึงจะขยายความตรงนี้ยืนยันต่างๆ น, นั้นามันถึงจะได้ถ้าเข้าใจความหมายอันนี้อาตมาก็ว่าไม่ต้องไปติดภาษามากนะักแล้วทํากันแล้วกันพิสูจน์กันแล้วกัน พิสูจน์สภาพอย่างนี้จริงๆจริงๆแล้วคุณก็จะได้รู้สภาพนั้นจะเกิดสภาพนั้นถ้าคุณเจอมีอันนั้นและเอามาอธิบายอาตมาเอามาอธิบายนี่ไม่ได้อ่านตำราถ้าตำราอันไหนผิดอันไหนถูกอาตมาก็จะรู้อีกอดีที่ว่าอาตมาไม่ขยันอ่านตำราถ้าขยันอ่านตำราน่ยมันจะยาวกว่านี้เพราะจะเอาของเขามาวิเคราะห์มากกว่านี้อีก จะเอาคนเข้ามาวิเคราะห์เป็นตัวที่เปรียบเทียบ ว, ว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องเนี่ยจะเอามาวิเคราะห์มากกว่านี้นี่ดีแต่ว่าเอาไอ้ที่เรารู้เอาไอ้ที่เราว่ามันถูกมันต้องมาวิเคราะห์แง่เดียวเชิงเดียวมันก็เลยสั้นหน่อยมิฉะั้นจะยาวกว่า น, นี้นะแต่ก็ยาวกว่าดีนะถ้าอ่านมากๆแล้วมีสิ่งนะั้มาเปรียบเทียบไอ้ถูกไม่ถูกมากๆมากๆมากๆแล้วคุณก็ไปเคยรู้ไปเคยอ่านไปเคยศึกษานั้นมาด้วยแล้วก็ห ย, ยิบอนุนที่คุณเคยมาศึกษามาเปรียบเทียบคุณก็จะเห็นชัดว่าอาตมาแยกออกให้ให้ได้้ชัดอะไรแต่นี ก็จะยิ่งเข้าใจเหมือนกันดีเหมือนกันแต่มันก็นานมันก็จะยาวอาตมา ก, ก็คงจะต้องอายุ200ปีเพราะมันจะใช้เวลาอธิบายมากขึ้นไปอีกเพราะกลางเมื่อก็สมส่วร น, นะอาตมาก็ไม่เลยต้องไม่ต้องขยันอ่านมากนักไม่ต้องไปขยันรู้ของคนอื่นมากนักขนาดไม่รู้นี่เขายังว่าปากจัดขนาดนี้ถ้ารไม่รู้ม า, มากๆก่อนนี้แล้วโอ้โหเขาจะมีว่าปากอะไรกระจกซ้อนกระจกเงาซ้อนเงา กระจกซ้อนกระจกเงาซ้อนเงานะเอาละวันนี้ก็ได้ขยายความอะไรอะไรอีกมากมายที่จริงมีสูตรอื่นอีกนี่จะต้องอธิบายซ้อนเพื่อไขอีกอย่างน้อยมีอีกหนึ่งสูตรที่จะขยายความคํานี้ที่พระเจ้าท่านตัดเราไว้ว่าที่จริงมันดับสังขารไม่ได้ดับอะไรอื่นเวทนาก็จะต้องรู้จากเวทนาที่ซ้อนมันมีอีกสูตรอื่นอีกที่ขยายอันนี้พอสมควรอีกอย่างน้อยสักสูตรหนึ่งไม่งั้นแล้วกันในวันที่4เข้าไปแล้วพรุ่งนี้ที่5ที่6 โอ้เอาเข้าจริงๆก็ได้นั่งกันไม่กี่เที่ยเนาะอ่ามันรู้สึกว่ามันอธิบายไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะรวบรับจะเร็วๆเกินไปก็ดูไม่ดีเอาไปเอามาก็เวลากว่าค น, นนี้ะนะไม่ไรเราจะเพิ่งตาจากกันเร็วนะักว่ากันไปฟังกันไปเรื่อยๆก่อนอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อน